เจริญพรท่านสาธุชนพุทธภพุทธบริษัทผู้ฝ่ายธรรมทุกๆท่านคืนนี้เราก็จะมาพบปะกันอีกครั้งหนึ่งเพื่อมาสนทนาธรรมถามตอบคำถามต่างทๆที่เกี่ยวกับการปฏิบัติทานศีลภาวนาใครที่สนใจมีคำถามอยากถามว่าเชิญเข้ามาถามในห้องก็ได้หรือส่งคำถามเข้ามาที่ทางเพงจะได้ เาายูทูบเพื่อถามใครทุกที่กำลังมีการถ่ายทอดสดอยขนาดนี้ท่านก็สามารถที่จะเขียนคำถามส่งเข้ามาได้แล้เดี๋ยวจะมีทีมงานนำมาถามอ่านถามให้อีกครั้งนึ่งทีนี้เราก็ไปที่เด็กๆ ก, ก่อนเป็นธรมรม เ, เนียมเด็กกนะ็จะมาะจัดที่ก่อนจะมาจัดที่อยากศี้อระชา อครับนักมัธยมภาคจำครับไรบ้างวันนี้จะมาส่งกันบ้านครับรู้จักร่างกายของเราแล้วยว่ามีอะไรบ้างรู้จักท้องเห็นไหมเห็นอาการต่างๆบ้างไหมเห็นคไหมเห็นร่างกายของาากคนอื่นบ้างไหมเห็นของพ่อพี่แม่บ้างไหมเห็นพอเห็นครับเหมือนกันไหมเหมือนกันครับ เหมือนกันนะโอเคพวกเราร่าคกายล้วก็เป็นเหมือนออกของขวัญข้างนอกอาจจะไม่เหมือนกันนะอาจจะใช้กระดาษสีใช้โบสีต่างๆแต่ของขวัญข้างในกล่องก็เหมือนกันหมดทุกคนใช่ไหมแช่ครับจ๊าดจำไว้นะข้างในกล่องของขวัญมีอะไรบ้างลองไปมาดูสิ ผมขอเล็บเล็บฝันังเนื้อเอ็นกระดูกขึ้นในกระดูกมาหัวใจตาผังผือไตใจปอดไส้ใหญ่ใช้น้อยอาหารไม่อาหารจับไปดื่มําสองสีสั่น้ำดีน้ำทะเลน้ำเลือน้ำเดือนน้าเหนือน้ำนวำข้นน้าตาชุ่ระเดีวน้ำาลน้ำปน้ำไข่ค้อนนมูดน้ำมูดน้าไข่คนะ้มูกันน้ลายน้ำประเดวน้ำตาลน้ำน น้ำเหนือน้ำเลือดน้ำเตียงน้ำเสลน้ำดีนื้อเน่อมองศีรษะอาหารเก่าอะใหม่เส้น้อยใส้ใหญ่ปอดไตขมือตับหัวใจมา้าเยืกระดูกกระดูกเองหนังสัมัสทุกคนโอเคแล้วยังไงต่อชีวิตของเราเป็นยังไงบ้างเกิดมาแล้วเรามีความแก่เป็นธรรมดา แต่่วงพ้นความแก่แบ็งไม่ได้เราต้องมีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะ่ล่วงพ้นความเจ็บไข้เป็นไม่ได้นเรามีความตายเป็นธรรมดาจะ่ล่วงพ้นความตายเป็นไม่ได้เราจะรอดวิญญาเป็นต่างๆถือว่าเราจะต้องพัดผาจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงเรามีการเป็นของของตน มีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแรงเกิดมีตามเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยเราทำกรรมอันใดไว้เป็นเป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นใคญาติคือว่าเราจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นสิ้ไปเราทั้งหลายควรพิจรารณาอย่าง น, นี้ทุกวันทุกวันเถิด ถ้าเราต้องรับผลโยงกรรมแล้วควรจะทําทกรรมดีหรือทํากรรมไม่ดีทํากรรมดีค่ะทํากรรมดีแล้วได้อะไรก็ได้ผลดีค่ะได้ความสุขครับจิตใจเราก็สมขึ้นจากมนุษย์เข้าไปเป็นเทวดาเป็นครมเป็นพระอริยเจ้าถ้าเราทําตามความดีตามที่พระเจ้าทรงสั่ง ส, สอนการเราทําบาปล้วก็จะลดฐานะนอน อยากมนุษย์้าไปเป็นพวกเดียวกับพวกสุนัขใช่ไหมอยากจะไปเป็นสุนัขไหมนี่รับเป็นสุนัขครับถ้าทําบาป้วไปเป็นสุนัขถ้าทําบาปร้ายกาลบุนแรงก็ไปนรกนะครับอย่าไปนะอยา่ามภาใจอย่าทําบาปครับนีอบบ่อะไรอยากจะถามไหมเกิดไม่มีครับถ้าไม่มีก่อนไปที่ท่านตอบไปนะ ค่ะ bye bye. อ่าไบายขาวของคุณพระอาจารย์ครับไปที่นาราธิวาสมณิสยากับคุณุสา ร, รแม่ลูกนรสการขอาจาร์เี่ยคออมคมวันวนี้มามฟังธรรมขอาจารย์มาละมานมัสกา ร, รพระอาจารย์แล้วก็ฟังธรรมค่ะ โอเคอย่าลืมปฏิบัตินะอย่าประมาะทนา่น ะ, ะ ข, ขอสอบเรื่องการบ้านไม่เหมือนกันนะทําการบ้านอย่างนีงน้นะอย่าข้อสอบชมเชริงอิกอย่างนะเวลาบ้านเจ็บไข้ได้นป่วยเป็นธรรมดาเนี่ยมันนี้นนเป็นการบ้านนะเวลาเจอข้อสอบมันมันปวดร้อนเล้าไปทั่วสะพานกายนะไนะได้ค่มะ ม, มีคําถามนี้ ของนูมีคำถามค่ะคุอาจารย์ประมาณไอช่วงนี้ที่นั่งสมาธิอะค่ะเอเวลาที่ช่วงนี้จิตมันจะชอบตื่นเต้นค่ะถ้าปกติไม่ค่อยเป็นค่ะอย่างเช่นถ้าสมมุติผูไม่เริ่มมันไม่ค่อยได้ยินเสียงผู้มันจะเริ่มตื่นเต้นอยู่ๆมันแบบเอ้าไม่ได้ยินเสียงแล้วแล้วมันจะเริ่มตื่นเต้นใจสั่นก็เลยใช้วิธีไม่ไม่พูดโทรสู้ไม่อะไรค่ะก็คือทําเป็นเหมือนไม่รู้ไม่ชี้ไม่สนใจเขาอ่ะค่ะ ไม่สนใจอาการนั้นแล้วก็ดูลมต่อไปเรื่อยๆมันก็กลายเป็นว่าเข้าๆออกๆ ก, ออก็กพักมึงมันถึงจะเริ่มนิ่งอะค่ะพระอาจารย์ใช้วิธีไม่สนใจแล้วก็ภาวนาต่อไปเรื่อยๆถูกถูกหรือยังคะถูกต้องแล้วให้อยู่กับตัวภาวนะาจะเป็นลมก็ได้เป็นพูดโธกวได้ตัวอาการต่างๆที่เกิดขึ้นนี่ก็ไม่ต้องไปกัมันถ้าเราไม่ไปนสนใจมันเดี๋ยวมันก็หายไปตัวนหนึ่งก็จะเกิดจากความอยากของเรา อยากได้ผลนะอมันก็เลยทําให้เราตื่นเต้นขึ้นมาอย่าไปอยากได้ผลที่บอกไว้อยากอยู่กับการภาวนาไว้เราอยู่กับพุโทโธอยู่กับลมหายใจแล้วผลมันจะตามมาเองผลด้วยอะไรตามมากับความอยากควาอยากจะทําให้ใจเราตื่นเต้นโอเคค่ะพระอาจารยนะ์ถ้ามันจ่อยก็ไม่เป็นไรครับพุโทโธไปนมมงไป อย่งใดอย่างหนึ่งก็ได้หรือทั้งสองอย่างก็ได้แล้วแต่ใช่แล้วก็อ่าเมื่อวานค่ ะ, ะมีอุบัติเหตุเล็กน้อยค่ะพระอาจารย์คือหมาหมาที่บ้านเขาวิ่งวิ่งวิ่ ง, งแล้วก็มาชนหนูจนล้มอะค่ะพระอาจารย์พอพอล้มลงไปก็คือก็กระแทกปูนก็เจ็บอยู่ค่ะพระอาจารย์แต่ว่ามันไม่มันไม่โกรธเลยเลยอยากจะไม่โกรธแบบนี้กับทุกๆุกคนด้วยค่ะเลยอยากรู้ อยากรู้ว่าทําไมหรือพรถ้า<อ>เรามีสติก็ไม่โกรธถ้าเรามีสติแล้วก็จะคุมอารมณ์ได้แต่ถ้าเราขาดสติเราก็จะเริ่มโทษคนนั้นโทษสิ่งนี้ถ้าเรามีสติแล้วก็จะเฉยเป็นอุเบกขาค่ะมันมันรู้สึกเบี้ยค่ะก็ออกก็ล้มก็เออก็ก็รู้เฉยเฉยแล้วก็วก็แก้ปัญหาไปอะค่ะเลยอยากเป็นแบบนี้ตลอดก็ทําสมาธิบ่อยๆทํำนิยามแล้วเวลาออกมา แล้วก็พยายามมีสติประคับประคองใจตลอดเวล า, าเวลาเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นใจเราก็จะเฉยไ ม, มนถึงเต้นตกใจใไม่รักไม่ชังนะไม่กลัวไม่หลงเนี่ยผลประโยชน์จาก น, นการเจริญสติกับการนั่งสมาธิมันทำให้ใจเราสามารถที่จะวางเฉยได้กับเหตุการณ์ต่งาง แต่ก็อาจจะไม่ได้แบบน้อยเปอร์เซ็นตถ้าอยากให้น้อยเปอร์เซ็นนี้ต้องใช้ปัญญาต่อไปต้องโทษว่าเป็นกรรมของเราเองที่มาอยู่มาเกิดถ้าไม่มาเกิดเขาไม่ต้องมาเจอเหตุการณ์เหล่านี้เราจะไดไม่ต้องไปโทษคนอื่นโทษตัวเราไม่ไปโทษมามมาไม่มีสติมาชวนเราชโทษเราเดีก่อนเราไปยุ่งเราไปขวางทางมันเองเราก็จะไม่โกระ ถ้าไปโทษคนอื่นก็จะโกรธใช่ไหมถ้าโทษตัวเราเองเราไม่โกรธใช่ไหมเราจะกล้าโกรธตัวเราไหมเราคนเยอที่เราไม่โกรธก็คือตัวเราใช่ไหมคนอื่นนี่โกรธได้หมดเลยเห็น <c oughs> ถ้าไม่อยากจะโกรธก็โทษตัวเราเองนะเป็นเพราะกรรมของเรามาเกิดเนี่ยมาเกิดมาอยู่ตรงนี้เขาเหมือนเราต้องเจอกการอย่างนี้ถ้าไม่เกิดเขาไม่ได้มาอยู่ตรงนี้ใช่ไหม <c oughs> เราไม่ทำม า, ารับแหตุการณ์นั้นค่ะใช่ดัั้นอย่ามาเกิดในที่สุดคอาจารย์ <c oughs> ขออีกนิดอีกนิดหนึ่งค่ะอีกหนึ่งคำถามเล็กน้อยค่ะตอนนี้แบบว่าจิตมันมีบ้างมีบ้างค่ะถ้ามันแกว่งแขว่งก็อยากจะไปดมน้ําหอมไปซื้อมาฉีดสักหน่อยอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์แต่ว่าก็กเลยใช้ต้องบอกว่าข้อสอบมาแล้วเราจะ <c oughs> เราจะสอบผ่านหรือไม่ผ่าน ก็เลยคิด <demais> ว <noise> no ่าเออมันไม่จําเป็นก็ได้แล้วก็กเอาเงินที่จะไปซื้อเนี่ยไปทําบุญเลยจะได้ความสุขมากกว่าดัดขด้านดานอีกครั้งอยากจะซื้ออะไรซื้อน้ําหอมซื้ออะไรก็เอาเงินที่จะไปซื้อน้ําหอมนี่ไปทำมันจะได้ไม่มีเงินไปซื้อน้ําหอมด้วยต่อไปมันก็จะไม่ไม่ซื้อไม่อยากจะซื้อเพราะอยากที่ลายไม่ได้ซื้อต้องเอาเงินไปทําบุญแทนอันดับที่สายความอยาก อย่าไปทําตามความอยากบางครั้งเนี่มันอยากต้องใช้เงินตามเหมนที่มันไปตอบความอยากนี่ไปทําบุญแทนทําที่ไหญ่ก็ได้ทำให้แม่ก็ได้ลองกันให้แม่แล้วันนี้หนูอยากจะทําบุญกับแม่ได้อขอบพระคุณค่ะจารโอเคไปที่คุณาาชาติกาชัยน้าน มาฟังธรรมค่ะอาจารย์แล้วก็เดี๋ยววันพุธนะคะจะไปใส่บาตรพระอาจารย์ที่สาราฉันค่ะวันพุธช่วงไหนอันนี้ก็วันพุธ้เนี่ยพนรพุนค้าอ้าถ้าถ้าถ้าถ้าถ้าถ้้าถ้าถนาถ้าถ้าาถั้าถ้่าถ้าถาถาถ้าาถา้าถ้าถ้าถ้าาาถ้าถ้าถ้าถ้าถ้าาถ้าถ้า้าถ้าถ้า้าาถ้าถ้า เอ่อปิงวิเวกที่วัดเอ่อก็ตอนแรกที่ไปเหมือนกับต อ, อนไปตอนสิบโมวัดเงียบมากเลยพระอาจารย์ตอนแรกนึกว่าไม่มีพระอยู่แต่ว่าตอนทีที่ไปอูมีพระสิบกว่ารูปน่ะพระอาจารย์ค่ะแล้วขออนุญาตท่านละค่ะนท่านบอกว่าเอ่อที่นี่ไม่ไม่ให้อยู่เฉย ๆ, ๆก็ต้องไปทำครัแล้วไปขัดเสื่องค่ะพระอาจารย์ก็ไ <c oughs> ม่ <c oughs> ไปเป็นทีน่ว่า <c oughs> สอนให้เราเป็นคนรับใช้เป็นลูกเดีว นึกถึงพระอาจารย์เลยค่ะก็คือนิ่งเลยพระอาจารย์ไม่เป็นไรก็รขัดใต้เขาบอกว่าของท่านว่าทําอะไรก็ได้ค่ะขออยู่ เ, เป็นการจ่ายค่าเช่าก็ได้ค่าเช่ า, าที่อยู่าน้เค้าไฟไปค่ะแล้ว ก, แวก็แล้วก็ได้ไปได้ไปใส่บาทแล้วก็ได้ไปช่วยพี่เขาทําโคนิดหน่อยแล้วโชคดีมากเลยพระอาจารย์ได้ไปกราบปุจเจ๊ะด้วยค่ะในกุฏิท่านนะเพราะว่าต้องไปลงชื่อไงคะโอ้รู้สึกว่าเพาเป็นมงคลมากเลยโชคดีมากค่ะมีพี่เขาพาไป ก็เดี๋ยตั้งใจแหละพระอาจารย์เดี๋ยวไปไปเดินเต้นนาเนี่ยนะคะพระอาจารย์แล้วก็ตอนนี้ใจมันรู้สึกว่ามันอยากไม่ไปพิแววพรอาจารย์แบบอยากอยู่ในป่าคือแบบนึกภาพของวัดวันที่ที่ทำทำาสดาวอะพรอาจารย์เดี๋ยวพยายามจะจัดเวลาไปเดี๋ยวไปลงปู่เจี๊ก่อนพะอาจารย์่รู้สึกว่าท่านมีกําหนดวันไดอยู่ได้กี่วันหรือเปล่าไม่ไม่มีนะคะพระอาจารย์แต่ว่าตัวเองคงอยู่ได้ไม่ไม่นานมากเพราะว่าเป็นแบบวันต้องสลับสลับด้วยค่ะ อ่าก็ได้อยู่ได้นนแค่ประมาณสี่ช่วงนี้เป็นช่วงที่เราควรที่จะอ่าเลือกสันดูมาว่าวัดแต่ละวัดเป็นยังไงมีจะได้มีประสบะการณ์จะได้เปรียบเทียบและจะได้วัดที่เหมาะกับเราต่อไปแล้วก็ดูใจใช่ไหมครับอาจารย์เพราะเราอยู่ตรงไหนก็ได้แล้วก็ภาวนาใช่ช่วยหนึ่งได้อยู่ที่ว่าใจเราสั่นโดดไปยินดีตามามีตามเกิดหรือเปล่า เลยจู่เจ็จุกเจ็บขอหนึ่งข อ, น, ขอนี่ง<ร>ขอคุณเตียงนั้งนั่งขอคุณติยงนั่งแล้วแต่เขาจะจัดให้ะไม่ขอเลยพระอาจารย์แล้วก็เตรียมกดไปด้วยถ้าเกิดยังไงก็มีกดมีบอกมีกดทุดดงของเราสบายแล้วอยูมม่ในกดได้แล้วก็เสื้อก็เหมือนเดิมนะพระอาจารย์สามชุดคือคือทํายังไงก็สามชุดเหมือนเดิมพระอาจารย์จะให้ค่อยมาตวจสมุดมาคืนเลจะได้ม่ทอนงพลังการสามชุดชุดหนึ่งไว้ใส่ชุดหนึ่งไว้ซักชุดหนึงไว้สํารองพออแล้ว ค่ะเป็นนกเหมือนที่พระอาจารย์บอกใช่ไหมเป็นนกแบบไปเรื่อยๆไม่เกาะไม่เกาะที่ใช่นกมันไม่มีสัมภาระไปแล้วมันเป็นไม่ไหวทำให้เปสัมภาระแบกไปด้ว่อยๆะค่ะขอบคุณพร <า S 1> ะอาจารย์มากมาแต่ในที่สุดแเราก็ต้องมีขั้นต่ําต้องมีของใช้ขั้นต่ํำติดตัวไปร่างกายก็ต้องมีเสื้อผ้ามีอยไรแต่ให้มันมีแบบน้อยที่สุดมีเท่าที่จําเป็น แล้วมันจะสบายไหมท่ามาคำนวลไหมท่ามาคอยพลุ่พลังไปแบกมันใช่ค่ะอาจารย์ชอบมากเลยครับเรียบง่ายอยู่แบบเรียบง่านักปฏิบัติต้องเรียบง่ายในปัจจัยสี่รับน้ยสั่นโดดในปัจจัยสี่มันจะได้มีเวลามาให้กับการปฏิบัติได้มากนั่นมาคำนวณเข้าเรื่องปัจจัยสี่วันวันก็เวลาก็หมดไปอาจารย์ ขอพบพคุณ this, มากครับอาจารย์รู้สึกว่าอยากไปมากเลยพระอาจารย์ดีมากเลยขอบพคุณพระอาจารย์มากเลยนะคะทำให้รู้สึกยินดีมากๆขนาดนี้อระอาจารย้ที่ประจักคุณดานนพจากรบุญมลราชธานีกราบนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะวันนี้ลูกเข้ามากราบพระอาจารย์แล้วขอโอกาสเรียนถามหนึ่งคำถามเจ้าค่ะก็คือถ้าถ้าลูกคิดว่าเออ่หลักการคือ การปฏิบัติหรือว่าการทํากิจหรือว่าการคบใครเนี่ยถ้าเป็นไปเพื่อทางแห่งมรรคผลนิพพานคือมีความสงบประงับเบากายเบาใจปล่อยวางอันนี้คือถูกต้องใช่ไหมเจ้ า, าคะาา ก, ก็าา ค, ะคือถ้าใครที่ผิดจากตรงนี้ก็คือให้พิยาณาหลีกเลี่ยงใช่ไหมเจ้าคะอาจารย์ก็คาเรวัคัลยานะเมตเนี่ยคเรวัคัลยานะเมตคือเมตที่ดีเป็นที่จะช่วยช่วยช่วยสนับสนุนกาปรปฏิบัติธรรม ช่วยแก้ปัญหาให้กับเราขาเรามีปัญหาอย่างนั้นนะถ้าได้มิ่อย่างนั้นนะักให้วันดีค่ะแล้วก็การทํากิจหรื อ, อไอ้อะไรก็ตามถ้าบั่ทอนทางแห่งวัคคุณิพานหรือไม่ทําให้เราสงบระงับหรือไม่ทําให้เราบ่ ก, กายบ่ใจอันนี้ก็ต้องพิจารณาว่าว่าน่าจะไม่ไม่ควรแล้วใช่ไหมเจ้าค่ะพระเจ้มันก็ต้องดูเหตุผลว่ามันสมมันจําเป็นหรือไม่จําเป็น ถ้มันยังจำเป็นต้องทําาว่อนำก็ต้องทําไปถ้ า, ถ, าถ้าไม่ไม่จําเป็นก็ได้เขาเลิกไปเพราะเดีเยนะ๋ยวทีมันจะชักเข้ามาแทรกให้เราพยายามที่จะไม่ไปทำกิจบางอย่างที่อาจจะต้องทําอย่างที่คุณหมองศาสนาต้องไปอยู่เข้าวงคูอะไรอย่าเงี้ mm hmm. มันเป็นกฎของเขาจําเป็นก็ต้องเข้าไปถ้าเราจะไปอยู่ที่นั่น แล้วที่เราไม่อยากจะไปทำมันกลัวแล้วก็อยากไปเนี่ยที่นั้นอืเจ้าค่ะน้มัน้องดูว่ามันจําเป็นไม่จําเป็นนะครับถ้ามันจําเป็นก็น้องทําถ้าเราอยู่ในตกอยู่ในภาวะนั้นต้องเราก็ต้องทำถ้าเราคิดว่าไม่อยากจะอยู่ในภาวะนั้นเาก็ย้ายนะก็อยากไปอยู่ในที่นั้น เจ้าข่าพระอาจารย์วันนี้ลูกมีคําถามเพียงเท่านี้เจ้าข่าพระอาจารย์กลับขอพระคุณเจ้าค่ะวเป็นไงก้าวหนาว้ามัแต่ออากมาแตา่ทำงานปีเดือนนั้งเนี้ยหรือเป็นปีแล้วเนี้ยปีปีคือเริ่มต้นเดือนเมษาปีที่แล้วเจ้าค่ะพระอาจารย์ที่ที่อยู่บ้านแล้วก็ลาออกจากงานมาอยู่กับคุณพ่อคุณแม่ก็อยากที่กลับเดียนพระอาจารย์ว่าโจทย์ของความเป็นแจ๋อมีความสําคัญมากเจ้าค่ะพระอาจารย์คือทําให้เราลด ลถข้อแม้ลถตัวตนได้พอสมควรเจ้าค่ะพระอาจารย์แล้วลูกเชื่อว่าน่าจะเอาหลักนี้ไว้ก่อนเจ้าค่ะพระอาจารย์มันทําให้เราส่งเสริมการปฏิบัติเราเจ้าค่ะพระอาจารย์ว่าเราถ้าเราอยู่กับพ่อแม่ได้ซึ่งเขาแม่เขาเป็นคนจุกจิกพ่อเขาเป็นคนจ้าอารมณ์อย่างเงี้ยเจ้าค่ะพระอาจารย์ถ้าเราอยู่ได้เราน่าจะไปที่ไหนก็ได้อย่างเงี้ยเจ้าค่ะพระอาจารย์ถ้าตอนเด็กๆเราก็อยู่กับเขามาไม่เยอนอลูกลูกลูก ไม่ได้อยู่กับเขาสามสิบปีเจ้าค่ะพระอาจารย์หลังจากเ ข, า ไ, ขาไม่เขไม่เลี่งเราเลยเลย อ, อะไม่ไม่เจ้าค่ะคือลูกไปเรียนแล้วก็แ ล, วกแล้วก็ไปทํางานอยู่กรุงเทพแล้วก็ไม่ได้อยู่กับเขาสามสิบปีเจ้าค่ะพระอาจารย์ช่วยวก่อนแล้วก่อนนั้นนะตอนที่ก่อน <ขอ S 2> นั้ น, <พอ S 2> นก็ก็อยู่กับเขาเจ้าพระอาจ <ขอ S 2> ารย์ค่ะก็อยู่กับเขามาได้ตอนที่จะอยู่ไม่ได้อยุ่หยุดก็ก็พอพอได้ฝึกตรงนี้ก็ทําให้ทําให้อ่า ตัวเราไ ด, ได้ได้ได้ลดลดความความเป็นตัวตนเราลงไปพอสมควรเจ้าค่ะพระอาจารย์แต่ก็ต้องปฏิบตัติต่อไปเพราะว่าน่าจะมีอะไรที่เข้ามาทดสอบอีกเจ้าค่ะพระอาจารย์แล้วคิดว่าเป็นการตัดสินใจที่ที่ถูกเมื่อที่เราได่างงานนปฏิบัติเนี่ก็ยังยืนยันกับพระอาจารย์เหมือนวันที่พระอาจารย์ถามหลังจากวันนั้นเนาะก็คือยังคิดว่าเป็นการตัดสินใจที่ดีที่สุดในชีวิตเจ้าค่ะพระอาจารย์ได้ได้ละทิ้ง ภาระที่เป็นแบบทางโลกแล้วก็มาอยู่คือลูกเลือกมาอยู่ดูแลพ่อแม่โดยการปฏิบัติด้วยเรามีเวลาปฏิบัติเป็นของเราอันนี้ค่อนข้างมั่นใจว่าตัดสินใจถูกเจ้าขาอาจารย์เพราะว่าถ้าเราทํางานทางโลกเหมือนที่อาจารย์บอกคือมันไม่สามารถทำสองอย่างได้ดีในเวลาเดียวกันเจ้าขาอาจารย์เพราะลูกลองมัน<ป>เวลาทำงานจะเอาไปหมดส่วนใหญ่ใช่ค่ะ<ม>แล้ว ถ้าเราเข้าไปในการทํางานเราก็ต้องให้เวลากับการทํางานแล้วเรา<ม>เราจะบอกว่าเรามีเวลาปฏิบัติบ้างจัดเวลาตารางแต่มันไม่ได้จริงๆเจ้าค่ะพระอาจารย์ตอนที่ลูกลองลองลองดูตอนที่อยู่กรุงเทพอ่ะเจ้าค่ะพระอาจารย์มันมีการแทรกตลอดเจ้าค่ะแล้วเราก็จะไม่มีเวลาปฏิบัติตเป็นส่วนตัวของเราเลยแล้วมีการวาดแผนการปฏิบัติในข้างหน้าไหมว่าจะเพิ่มการปฏิบัติอย่างไรบ้างมีเป้าหมายอะไรไหม ก็ตอนนี้คือลูกลูกหนึ่งปีประมาณหนึ่งปีใช่ไหมเจ้าคะพรอาจารย์ลูกเพิ่งเพิ่งจับจับแนวทางที่ลูกอยู่อยู่อยู่เป็นเจ้าพ่อแม่ไปด้วยแล้วก็แบ่งเวลาปฏิบัติไปด้วยเพิ่งเพิ่งเริ่มเหมือนที่ถามยามพระอาจารย์ว่าหลังสงการมีการทดสอบเรื่องของทาตุขันใช่ไหมเจ้าคะที่เป็นมีการป่วยหรืออะไรอย่เงี้ยแล้วก็จิตจิตใจแปรป่วนเพราะเพราะอารมณ์แปรป่วนจากร่างกายด้วยอะไรด้วยมันทําให้ลูกเพิ่ง จัดตารางได้ในช่วงช่วงเนี้ยค่ะว่าให้ตื่นเวลาไหนแล้วก็ปฏิบัติเวลาไหนแล้วพอเจอพ่อแม่ต้องทํำยังไงเป็นเจ้าให้พ่อแม่ยังไงเพื่อที่เราจะปฏิบัติไปด้วยแล้วก็แล้วก็วกอยู่ดูแลครอบครัวไปด้วยอย่างเงี้ยเจ้าค่ะค่ะมันก็ต้องมีการวางแผนสําหรับวปีข้างหน้าให้มันเก้าหน้ามากกว่านี้อืมไม่อย่งั้นมันก็จะอยู่อยู่เด็กแค่แค่ที่เราอยู่ตอนนี้ ถ้าเราไม่วางแผนว่าเราจะต้องไปเพิ่มความเพีินว่าอะไรอย่างนี้คอ๋อตอนนี้ก็คือลู ก, ลกเริ่มเริ่มไปมีการวางแผนว่าจะไปอยู่วัดเป็นช่วงบ้างอย่างนี้เจ้าค่ะพระอาจารย์ไปก็คือได้ได้วัดที่ที่กลาวอย่างพระอาจารย์ว่าเป็นวัดวัดป่าค่ะ แต่แต่ก็ไม่ได้แบบเป็นป่ามากนะเจ้าค่ะพระอาจารย์แต่ก็ค่อนข้างสงบเพราะพื้นที่รอบข้างไม่ไม่ไม่ค่อยมีบ้านคนนะเจ้าค่ะพระอาจารย์ก็ก็เป็นวัดที่ที่อยู่อยู่ค่อนข้างจะปลีกนิดนึงในในส่วนของแต่รอบรอบรอบข้างนอกไปก็มีหมู่บ้านนะเจ้าค่ะแต่ตัววัดอะอยู่อยู่ในพื้นที่นาอย่างเงี้ยเจ้าค่ะพระอาจารย์แล้วแล้วที่ไปวัดก็คือไม่ค่อยมีคนสถานที่ที่เป็น อ่าที่พักก็เราไปก็ส่วนใหญ่เราจะไปกับแม่สองคนอย่างเงี้ยเจ้ะคะเาค่ะพอดีลูกเป็นผู้หญิงก็ต้องมีเพื่อนไปด้วยอย่างเงี้ยเจ้าค่ะค่ะก็ได้อยู่กันสองคนเราต้องวางแผนแว่าเราจะทําไงทําให้เกิดผลตามการปฏิบัติให้มากขึ้นสมาธิเราสงบมากขึ้นรวมได้เป็นหนึ่งแต่ว่าในทำเรื่องนี้มันต้องมีมีเป้าหมายการปฏิบัติอืมอันนี้ต้องกลับเรียนพระอาจารย์ตรงๆว่าลูกลูกยัง ยังไม่ได้ถึงขนาดนั้นเจ้าค่ะพอดีเพิ่งตั้งตัวได้ว่า<ม>ว่าจะเริ่มปฏิบัติยังไงเจ้าค่ะพระอาจารย์<ม>ในแนวทางของเราที่ที่เราจะไปได้เจ้าค่ะ<ม>แต่ลูกก็มองว่าคือตอนนี้ก็คือเริ่มเริ่มมีความสงบมากขึ้นในการปฏิบัติเจ้าค่ะแต่ก็ต้องอาจจะต้องเหมือนที่ที่พระอาจารย์ให้คําแนะนำครั้งแรกๆว่าต้องมีการจัดเวลาให้ให้มากขึ้นเจ้าค่ะพระอาจารย์ว่าที่นั่งที่พระอาจารย์บอกว่าให้ ให้เน้นนั่งด้วยใช่ไหมเจ้าขาพระจานทร์เพื่อเพื่อให้เราสามารถเข้าไปสงบที่เป็นสมาธิได้จริงๆอย่างเงี้ยะคะ่ะ<ช>เพราะ<ช>ตอนนี้คือลูกยังไม่ได้ที่เหมือนก็ยังเป็นเหมือนตอนที่กลับเรียนพาาาระจันทร์ตอนช่วงแรกๆทีล่ลัาออกจากงานว่าตัวลูกเองอ่ะยังไม่ถนัดที่จะไปนั่งเจ้าขาพระจานทร์ที่นั่งดูไปเรื่อยๆแล้วให้เข้าแบบความสงบเจ้าขาพระจานทร์ก็คงต้องต้องมีการพัฒนาตรงนี้ไปต่ออีกาอาจาเจ้าค่ะ ไ, ได้เหมือนต้อมองมองไปข้างหน้า ต้องมองว่าการปฏิบัติเราจะต้องขึ้นหน้าไปขึ้นไปสลอดขั้นต่อไปจากขั้นที่เราอยู่ในตอนนี้เจ้าค่ะตอนตอนนี้ก็คือยังอยู่ระดับอนุบาลหรือปฐมก็คือสติยังยังต้องต้องตรงนั้นอยู่เพราะที่พายังจําที่พระอาจารย์กลับได้ได้แนะนําว่าสติจะนําไปสู่สมาธิใช่ไหมเจ้าคะ่ะพระอาจารย์เพราะว่าถ้าสติระหว่างวัน ลองแล้วเจ้าค่ะพระอาจารย์ถสติระหว่างวันเราไม่ไม่ต่อเนื่องเราไม่สามารถที่ทําจิตให้สงบได้เจ้าค่ะพระอาจารย์ใช่ดีต้องปฏิบัติไปศึกษาไปด้วยรู้ผิดรู้ถูกรู้ว่าอะไรควรไม่ควรอะไรแก้ไขปรับปรุงไม่ใย่ไม่ใช่บวชไม่ใช่ว่าปฏิบัติแบบซื้อบรรเดีปฏิบัติให้ทํานี้ก็ทําไปไม่ได้พิจารณาถูกหรือผิได้ผลหรือไม่ได้ผลอย่างไร ค่ะวิเคราะห์ไปได้ไหมันรปฏิบัติไฟวิเคราะห์การปฏิบัติชงเอาไปได้ไหมเจ้าค่ะลูกลูกก็ตามที่พระอาจารย์แนะนําค่ะว่าถ้าสติยังไม่ได้ก็ก็อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งทําอะไรนอกเหนือจากนี้ลูกก็เลยเน้นสติอยู่เจ้าค่ะพระอาจารย์ตอนนี้ในระหว่างวันค่ะแต่ก็ต้องลองนั่งนั่งด้วยใช่ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์ก็มันก็ถ้าอยากจะได้จิตดวงมันก็ต้องนั่งอืม แล้มันจะได้ไปทําข้อสอบเกี่ยวกับทุกขเวทนาต่อไปได้ด้วย mm hmm. ทุกเวทนานี่ก็เป็นข้อสอบสําคัญสนาทีให้ทำให้จ็ดโูมให้จิตให้เป็ดูเบขาสักนะ ว, ว่าเราฝ่า น, นั้นได้ก็ไปต่อสู้กับทุกขเวทนาต่อไปเจ้าค่ะมันมันต้องดูดูสเต็ปดูวิชาที่เราต้องเรียนเหมือนกำลังไปเข้ามาอะไร เข้า <c oughs> มาในนี้เขาไม่ได้บอกเราต้องไไเรียนเรื่องวิชาเ้าต้องเรศึกษาเราในคณะที่มีวิชาไหนที่ก็เราต้องเรียนอ่าต้องเรีเราก็เราไปค้นคว้าบอกเราต้องปีนี้เราต้องเรียนวิชานี้ปีหน้าเราต้องเรียนวิชาน <c oughs> าั้นอะไรก็แบบเดียวกันการปฏิบัติค่ะพอพอดีช <c oughs> <c oughs> ่วงนี้ก็คือได้ได้หลักที่ ท, ที่ที่บอกกับตัวเองคือสวดมนต์เจ้าขาพระอาจารย์แล้วก็ มันเป็นสิ่งที่ที่เอาเอาจิตลูกอยู่นาเจ้าคะ่ะแล้วก็มันทําให้สติระหว่างวันของลูกต่อเนื่องมากขึ้นเจ้าคะ่ะพระอาจารย์เป็นคนอุบายที่ช่วยแล้วก็ก็ mm. แต่ยังไม่ได้ลองนั่งยาวๆเจ้าคะ่ะพระอาจารย์นิยมหลักเจ้าค่ะอาจารย์เนี่ยเราก็อเอาสติให้ได้ค่ะพอพอะลูกลองนั่งแล้วลูกต่อไม่ได้เจ้าค่ะพระอาจารย์เคยเคยเหมือนช่วงแรกๆที่ที่พระอาจารย์เนี่ย น, นั่งสวดมืน <ไป S 2> นมันไปนถ้ามันอยากจะนั่งก็นั่งสวนมันไปนอ๋อ อย่าพิ่งลุกนั่วนบนไปส่วนในใจเลยค่ะค่ะก็แล้วแต่อันนี้ก็ต้องพยายามบังคับให้มันไม่นั่งหาวิธีทําให้มันนั่งไปได้มันนั่งเฉเฉยนั่งเฉเฉมันนั่งไม่ได้เพราะความอยากมันญยากจะลกแต่ถ้าเราให้มันมีงานทําแท้มันส่วนอติปิโสร้อยจบนี่มันก็อยามีอะไรให้มันทำมันก็จะได้นั่งต่อไปได้ค่ะ บริกรรมโทรทางบโมสังโกนอะไรก็ได้แล้วแต่มันต้องเฉยๆต้องมีอะไรให้ใจมันทํางานค่ะแล้ว ล, ลูกเรียนถามอาจารย์นี่นิดนึ่งจ้ะค่ะในในปฏิบัติธรพระสกรรมฐานสายหลวงปู่บ้านมีครูบาอาจารย์บางท่านท่านถนัดเดินยาวๆอย่างนี้ได้ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์ถ้ า, ถ, าถ้าไม่นั่งไม่ได้เงี้ยเจ้าค่ะอันนี้ลูกกับเรียนถามอ๋อทุกคนต้องงานไหวต้องาองานอ่า มันเป็นการเดินมันก็เป็นอีกส่วนหนึ่งของการปฏิบัติแต่การนั่งมันก็ต้องนั่งเหอเห็นพระพุพทธรูปมีมีท่านั่งไว้ทางไหน <c oughs> มันต้องมีท่านเด <c oughs> ินเลเจ้าค่ะพระอาจารย์ท่า น, นเดินเยอะๆครับเพื่ที่ท่านจะได้มานั่งได้ว่ ม, <c oughs> มันยังนั่งไม่ได้ก็บังคับมันเดินเป็นชั่วโมงชั่วโมงไปเลยถ้า่ามันเมื่อยมันเมื่อย ม, ม, มันก็อยากจะนั่งเองอ๋อ <c oughs> มันหมวดแรงชั้นนั่งมันยังมีแรงเยอะมันได้แรงมันเที่ยงจะไปเดินก็เลยบังคับมันก็เลยทําให้เราดั้งไม่ได้ถ้ามันนั้ไม่ได้อยากจะเคลื่อนไหวก็ให้มันได้เคลื่อนไหแล้วถ้ามันหมดแรงไปเลยเดินทั้งสองสามชัวโมไปเลยเสร็จแล้วทีนี้ก็ค่อยมาดั้มันก็ไม่อยากจะเดินแล้วมันเบื่อดั้งได้เพราะมันตัดตัดพลังของของร่างกายที่อยากจะเดิน ที่สารสนุนความอยากเคลื่นอนไหวของพิเลแต่ร่างการมันไปไม่ไหวนะมันั่งนั่นคืออุบายวิธีของพระที่จะทําให้ด้วยนั่งใคได้เพรามันจึดมันจะรวมมันนั อ, อยู่ในทาน่าแล้วอืมค่ะเจ้าขาบาจ่าโอเคนะขา น, น้อมรับเจ้าขาขอบพระคุณเจ้าเจ้าขาบาจ่า อาจารย์มรมวิลาศกอรมองคุณอนุกูลเป็นยังไงอยู่บ้านเราไม่สบายเลยคำนมมสการค่ะคุณอนุกูลเตรียมเนื้อเตรมตัวเลยหลับไปเลยค่ะพรุ่งนี้จะต้องไปทำซีทีสแกนครบสองปีอะค่ะหลายหลายจุดหลายหัวใจบนวร่างทั้งหมดทไปเลยค่ะ ก็เลยไม่อยากไม่อยากจะปลุกขึ้นมาก็ปล่อยนอนไปปล่อยนอนทึากเลค่ะค่ะเขาคอาจจะตื่นเต้นเลก็ก น, น้อยอะไรแงค่ะแต่ก็ไม่มีอะไรนะคะไปเ อ, อ่อไปท่องท่องโลกมานะคะก็ไปเห็นอีกโลกหนึ่งนะคะเป็นโลกกิเลสของเรา <c oughs> แต่ก็ได้ออกกำลังกายด้วย <c oughs> <c oughs> ไปเดินป่ามาเยอะมา ก็ดีก็กลับเรียนพระอาจารย์ว่าเพื่อนนะฮะเดวิดนนะคะก็ก็อยู่โรงพยาบาลนะคะที่ที่ศรีลชามาหลายวันแล้วค่ะแล้วขาก็ไม่ให้ให้ใครภรรยาก็เข้าไปอยู่โดยไม่ได้ก็เป็นหลายโรคเป็นเบาหวานเป็นน้าไสเป็นอะไรก็หลายหลายเรื่องเห็นคุยกับคุณลุงปูะเมื่อวานนี้ไม่ียกคือภรรยาคุยด้วยนะคะ แล้วบอกออกมาแล้วจะกลับเข้าเป็นไงก็จะไปเป็นไปตามเรื่องของร่างกายอนัดตาเขก็เป็ น, นหลายโรคอะค่ะมอนเอาไปแต่ก็สั่งมันไม่ได้ห้ามมันไม่ได้มันจะเป็นการต้องทําใจให้ได้นะทําใจรับกสภาพะให้ได้จะอยู่ก็ อ, อยู่จะไปก็ไปเราไม่ได้เป็นอะไรนะนั่นเองข้อสาคัญให้เรารว่าเราไม่ได้เป็นอะไรร่างกาไม่ใช่เรา เราเป็นผู้ใช้ร่างกายเราเป็นยูเซอร์ร่านกายนนมนเห ม, มืนเครื่องคอมใช่เครื่องคอมมันเสียก็เปลี่ยนใหม่อันนี้เพราะครอบครัวเราก็กลาบพราการอยู่ทุกวันนะคะก็มันก็ฝังเข้าไปอยู่ในจิตเองโดยอตโนมัตินะค ะ, ะว่าเราก็ใช้กายเราไปหาแต่ใจเราก็นิ่งมีสติ อยู่ได้อยู่ได้ค่อนข้างตลอดเวลาทําไปก็รู้ว่าว่าอะไรทําไปนี่ไปตามกิเลสเราก็รู้ว่าเราไปตามกิเลสแต่ว่าเราก็จะไม่ค่อยมีมีอารมณ์อะไรที่มันมากระทบนะฮะก็ก็ปล่อยให้มันหล่ตรงนั้นไปอะไรเงี้ยค่ะโอเคท่านี้ก่อนนะไม่มีอะไรไหมไม่มีค่ะจามาแสดนจ้ะอย่าไปหาง๊อง นักคุณเลยนัยคุณเ้งองวัยนารักอยู่ญี่ปุ่นเด็กแล้ให้เข้ามาก่อนเลบค่ะพระอาจารย์เจ้าข่าพอดีวันนี้เขามาช้าไปนิดนึงค่ะไม่เป็นไรเราเปิดไฟเขียวให้ก่อนเลย VIP ขอโทษพี่พี่ที่รัดชิวด้วยนะคะขอบพระคุณมากค่ะเวลามันเด็กแล้วสี่ทุ่มกว่าในะห้กับพระอาจารย์กลบคอบพระอาจารย์ เป็นไงบ้างสบายดีไหมพระอาจารย์ก็ข่าวกับพระอาจาราย์เออดีก่าวสวยๆวันนี้เมาเมานมแล้วพระอาจารย์ง่วงค่ะ เ, เดี๋ยวไปนอนซะเดี๋ยวไปนอนถ่าง่วงก็ไปนอนบอกอะคะอาจารย์อาทิตย์หน้าหนูไปไทยแล้วค่ะอาทิตย์หน้าหนูไปเที่ค่ะเออดีนี่มาเที่ยวเมองไทยบ้างนะมนุษย์จากบ้านเราเป็นยังไงเดี๋ยวหนูไปไหว้กับพระอาจารย์วันอาทิตย์ นะคะโอเคอ่าถอยยมีคำถามอะไรไหมคะไ ม, ไม่มีอากาศคะอาจารย์ลูกกล่ากล่าวอาจารวันนี้วัววันนี้คุณหน่อยกล่าวคา <Okay. S 1> ร, รับนอนหลับฝันดีนะนอนหลับฝันดีสาธุสาธุครับโอเคครับขอบพระพคุณคะ่ะสาธุไปที่คุณตะวันซีเนียแล้วไม่ใช่จูเนียนะ How are you It's one senior today, i n d e h e one junior is uh, is missing. <laughs> What happened? I don't know. He was supposed to be home from school, but I don't. I think he had different plans today. <laughs> I see. Okay, so you're home alone. Yes, yes. My wife is away as well, and uh, I, I wanted to join anyway with my son, but also because I myself have. have Questions from you for, for you as well, um, okay. because my right. my wife always uh, is kind enough to ask the questions. Normally, I'm at work at this time, but mm -hmm. today I have the time to, to to to join. So that's why why I decided to join still. Okay. Yeah. What's your question is? My, my question is, I uh, I stayed uh, in Thailand at a monastery as yeah. uh, as a monk. I tried, I I practiced, and I really. Uh, felt felt peaceful and home. And there was one moment that struck me really, uh, really touched me when I was at Wat p a c h uh, a i Wat p h uh, a Thai, I think it was. Um, and I felt very emotional. And I felt as if I'd been there before. I recognized the place. And it was a dream that I had several months ago, where I was meditating on top of a cliff, and it was. I think well that was the feeling I had that it was trying to tell me that you can't fall asleep because you'll fall off the cliff, so you have to stay awake for the meditation. And when I when I was at that place, I really recognized, and and I was wondering what I can do with that information. At least is that something that I, I felt strange? Why would I feel emotional at that place? Why would I feel that connection with that place? Because I did not want to leave anymore. I did not want to go away. But I noticed that my role as a father, I don't want to. I don't want to leave my wife and my kid behind. I want to take care of them. I can't leave them alone, even though I w o u l d want to be a monk myself. Well, if you want to look what can benefit your practice, that's the thing that you should look at. The experience that you have experienced, does it help improve your practice or not? If it does, then you, you can use it to push you to improve your practice. But if it doesn't do anything regarding your practice, then you can just forget about it. Yeah. Thank you, Ajahn. Mm -hmm. So the the practice that that I've, I've been noticing that ever since I was at the monastery, I'm able to to have more peace when I'm meditating, although I'm not. Thing that I get out of the, the, the s o m o d y because of I keep paying attention to my my uh, my breath, saying p u t t p u t t but then I worry if I'm sitting straight or if I'm falling asleep or anything, and then I come back, and I've I've read in the book uh, the the kamatana book that that that's you should let go of those those emotions too, but it's very difficult to try to. Let go when you're when you're also trying to focus on the on the meditation. So how how do I, how can I reach the the step past that? How is that possible? Just just concentrate on your meditation object and disregard everything else. Even your body posture, don't don't pay attention to it. If your body's gonna lean or gonna you know not not being straight, don't worry about it. As long as you have Your mindfulness with your meditation object. That's the goal to get your mind fixed and focused with your meditation object in order to unite your mind to become one, to be calm and to become one. You need to focus on your meditation object only, and no, n t pay attention to anything that that your mind tells you or appears in your mind. They are all distraction. They will cause you to lose concentration, and you will not get the result that you should be getting. I've I've been trying to to it's it can be very cold in the Netherlands, so I try to actually wear shorts and a t-shirt so that I get cold, so yeah. that I don't fall asleep when trying to meditate. Is it is it beneficial to to actually try to not feel comfortable when you're meditating? Well. it... It depends on on on uh, what you can do with it. If it helps your your concentration, then it's okay. If it doesn't, if it's too cold, you might be worrying more about the cold a n d your meditation subject. i n maybe it's not not good for your meditation. So you have to look what whether it supports or it obstructs your your practice. If it supports in Push your practice further ahead, then it's good. a n t if it obstruct, c u s t you to have difficulty in maintaining your mindfulness, then maybe it's, it's not good. Yeah, t h a s o So look at the end of end practice. The goal is to keep practicing, and whatever you do that can help boost your practice, then it's good. If they obstruct your practice, then it's not good. Okay. d o All right. By the way, if you want to join us in English, I think you have to join on Tuesday night. My wife a l Yeah. Because people here won't understand what we're talking about. <laughs> but anyway, I understand. I apologize. It's your okay job. for tonight, but next time, please join us on Tuesday night. We'll do. We'll do. If you have any question you want to ask, okay. Thank you. All right. y Say hello to your son and your wife for us. We'll do. We'll do. t h a y h you. By the t r a d i t i o n namo namo. a s a k a n ya, Pajar, kunyai, hai, l a kah, poh. a m leh, na, c h i leh, na, deh ni. Ah, poh, Pajar, padi, wa, p o u h o n l e g o h i a h t a i a than, k a n ครับผมก็เลย Hi หายไปครับผมมีเป็นเล็เดีย ว, วยค่ะเออเป็นเล็เดียวนะอย่าช่วยได้นะยาที่กินได้ช่วยมันเท่านั้นนะครับอาจารย์ช่วยได้ครับคุณยายเขาบ่นใหญ่เลยบอกเนี่ยวันนี้หายแล้วจริงๆนะให้ฉันเข้าเธอให้ฉันเข้าซูมเธอบอกหายแล้วเอาฉันเข้าเธอ ถ้าตัวดูว่ามีเชื้อไม่ไม่มีแล้วใช่ไหมไม่มีและวครับาย<อ>ดีที่จ่ายแนั้นเองค่ะไม่ได้เป็นมากรั้งความขอใก็ดีให้คุณยาย่าฟังเทศฟังธรรมดีทุกท่านได้เป็นกำลังใจผาผ่านทางธรรมลดใจจะมีความก้าหานมีความเบิกบา น, ออนลดอาการซึมเศร้าลงได้ ามีอะไรไหมวันนี้อาจารย์ครับผมมีคําถามหนึ่งครับผมผมดันไปเห็นประโยคนึงในหนังสือธรรมะว่าอย่าเป็นบุรุษคนสุดท้ายของเราเลยครับอาจารย์มันแปลว่าอะไรล่ะครับเราก็ไม่รู้เหมืกันเราไม่ได้ไปมาพูดมาถามเราได้ <c oughs> แต่เผื่อพระอจาย์จะมีความรู้พอดีว่าเออ อ่าไปดันไปเห็นนะครับวาจาั์ว่าแบบมันเขียนอย่างนี้ผมก็เลยงงว่าที่พระพุทธเจ้าบอกว่าอย่าเป็นบุรุษคนสุดท้ายของเราเลยยุ่งครียครังแบบอย่าเป็นคือไม่ไม่เข้าใจความหมายครับก็ถ้าไม่เข้าใจก็ปล่อยมันผ่านไปก่อน <c oughs> เดี๋ยววันหนึ่งมันอาจจะมีอะไรมาอธิบายเราบอกเราอีกทีก็ได้ถ้ายังไม่เข้าใจไม่เป็นไรไม่ไม่ได้เป็นเรื่องเสียหายอะไร มันจําเป็นจะต้องรู้ทึกเรื่องทุกอย่างที่เราไปสัมผัสรับรู้ให้รู้แก่อริยสัจสีแล้วก็อาจารย์จะกลับไปกดฟ้าอริยสัจครับอ่าอย่าไปรู้มากเลยทาให้เราลงมานไปอครับคุณพ่อคุณแม่ก็แซวอยู่ครับบอกอย่าไปเอ้นี่ค้นคว้าอะไรมากเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปสอบป ร, ริญญเอา เอาแค่ทุกส่งฐานที่ร่วมรักเนี่ยพอแล้วใจรักันนี้จากทุกขานะตาแห่นี้พอครัอาจารย์แต่ผมเข้าใจถูกไหมครับว่าถ้าสมมติว่าเราเห็นอ่าสิ่งต่างๆแล้วเราก็คิดคิดภายในใจของเราให้มันเป็นอ่ากดใจรักเนี่ยไปเรื่อยๆเรื่อยๆสักวันจิตมันจะยอมรับเองยอมรับแล้วก็ปล่อยวางแล้ก็จะไม่ทุกข์กัน แต่ว่าถ้ายังทุกข์อยู่มัสดงว่ายังไม่เห็นตายรักไม่เห็นตายรักแต่จิตมันที่เด่มันยังมันยังแรงอยู่จิตไม่มีอุเบกขาต้อพยาทําสมาธิให้ ม, มากว่างผันชันยายนะคะต้องทําอะไรบ้างยายก็เหมือนกันนะยายพิจารณาหน้ากายของยายไหมครัมันแก่ต้องเจ็บต้องตายะมันไม่ใช่ราเราไม่ใช่มัน ล้วก็เราเป็นเหมือนหมอน่างกายเป็นเหมือนคนไข้แล้วก็เหมือนตอนที่มันเจ็บแล้วก็เป็นหมอล้วก็หายาให้มันกินพักผ่อนหลับนอนอะไรไปแต่เราไปสั่งมันไม่ได้ไปห้ามมันไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายไม่ได้เวลามัน บททดสอบจริงๆการบ้านแค่นี้ยังไงมันก็ผ่านอยู่แล้วก็ไม่เป็นไรตอนที่ตอนที่เป็นโควิดเป็นยังรู้สึกทุกข์ไหมใจทุกข์ไหมก็ก็นิดหน่อยนะคะส่วนมากเขาจะอยู่รวมกันไปหมดแล้วให้ให้ฉันอยู่คนเดียวอ่ะนั่นแหละแต่ใจเราเราทุกข์กับมันด้่นะเราทุกข์กับอาการเจ็บไข้ได้ปวดของร่างกายหรือเปล่าต้องไม่ทุกข์กับมันนะมันจะเป็นก็เป็นเราก็รู้ไป แต่เราไม่ต้องไปทุกประมามันเฉยไปก็คิดว่าตัวเองไม่เป็นอะไรคนะ่ะเพราะว่ามันไม่ได้เจ็บอะไรมากมากอ่าโอเคถ้ามันเจ็บมากๆก็ต้องก็ต้องเฉยวันเราก็ไม่ได้เป็นอะไรเราไม่ได้เป็นมันนะเราเป็นใจใจไม่ได้เป็นอะไรไปากับร่างกายต้องพยายามแยกใจออกจากร่างกายให้ได้นะถ้าใจไม่เป็นใหญ่ คุณยายถามมั น, น้องทําไง น, นะก็หบอกนะให้แยกร่างกายกับใจออกจากกันใจเป็นผู้รู้ร่างกายเป็นผู้เจ็บก็ปล่อยมันเจ็บไปใจก็รู้เฉยๆไปใจไปสั่งให้มันไม่เจ็บไม่ได้เวลามันเจ็บมันก็ต้องเจ็บเวลามันติดโควิดก็ไปไปสั่งให้มันไม่ติดก็ไม่ได้มันติดก็ให้มังไป ใจมีหน้าที่รุ่นไปรุ่นไปเฉยๆไม่ต้องไปเตือนเส้นตกใจใจไม่ได้เป็นอะไรไปกับรางกายอาจานะโอเคหมดแล้วใช่ไหมน้าโมหมดแล้วครับผมอาจารย์เหลือแค่ไปเร่งปฏิบัติครับผมอาจารย์ก็แปลนในบ้านมีพ่อมีแม่มียายมีลราแต่มีเราสองคนพ่อแม่ไม่เคยเข้ามาเลย เคยเคยก็ชวนเข้ามาอยู่ครับอินทร์ีอินทร์สีไม่เท่ากันนะอินทร์สีไม่เท่ากันศรัทธาสติสมาธิปัญญาความเพียรไม่เท่ากันอรัอาจารย์เดี๋ยวก็คงต้องตอนมาทางนี้นะครับไม่ไม่ที่เราพูดยกตัวอย่างนะครับอย่าไปเดี๋ยวไปบังคับเขาของนี้มันต้องมาด้วยศรัทธา อาจารย์ <ใน S 1> พูดเปรี่ยวที่ไม่ฟังเห็นไ้มทำไมเรายายเข้ามาทำไมพ่อกับแม่ไม่เข้ามายายเรี่อยมาค่ะไอซีไม่เท่ากันศรัทธาไม่เท่ากันเนียศรัทธาในพระธรรมคำสอนพระเจ้าไม่เท่ากันอาจารจริงัหมจริงครับผมโอเค ขอบคุณพระอาจารย์ในความเมตตาครับผมให้ธาตุขันพระอาจารย์แข็งแรงครับขอบคุณค่ะไปที่กรุสุภัทราเดล l สเท็กซัอันนี้ร้อนนะเหรอเท็อค่ะเจ้าค่ะกลาวนมรสการพระอาจารย์เจ้าค่ะเริ่มร้อแล้วเจ้าค่ะตอนกลางวันก็ประมาณสามสิบองศาเจ้าค่ะตอนเช้าก็ประมาณสิบเก้า เจ้าค่ะเริ่มร้อนวันนี้ลูกมีคําถามของลูกเองเจ้าค่ะสองสองคำถามคําถามแรกคือว่าลูกอตอนนี้ลูกพยายามฝึกฝึกผ่านอทุกคเวทนาเจ้าค่ะก็คือคือก็ลูกสังเกตว่าขณะที่ลูกนั่งเนี่ยเดี๋วนี้คือเริ่มนั่งไปได้แบบชั่วโมงชั่วโมงกว่าบางทีก็ เกับสองชั่วโมงอะเจ้าค่ะคือคือแบบต่อเนื่องอะนะเจ้าค่ะทีนี้เนี่ยลูกสังเกตว่าไม่แน่ใจว่าเอเรานั่งเนี่ยคือเราเราเห็นเวทนาแบบเป็นช่วงๆแต่ว่าการผ่านของเราเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าลูกใช้สติในการผ่านแต่ละช่วงๆอะเจ้าค่ะก็คือว่าพอเวทนามันมาปุ๊บเนี่ยลูกก็จะแบบเออมาแล้วเดี๋ยวมันก็ผ่านไปแล้วลูกก็อยู่กับลมหายใจหรืออยู่กับคำบริกรรมที่อยู่ ทีนี้ลูกอยาสงสัยว่าแล้วถ้าเราจะพิสูจน์ว่าเราจะใช้ปัญญาเนี่ยมันจะคือจะทํายังไงอ่ะเจ้าคะ่ะลตรงนี้ยลูกไม่เข้าใจอะะ่ะเจ้าค่ะอการใช้ปัญญาก็ต้องพิจารณาธรรมชาติของวิทนา ว, าว่าเวทนามันมันเป็นอย่างไรมันเที่ยงหรือไม่เที่ยง ม, มันไม่เที่ ย, ยงใช่ไหมมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมา มันเดี๋ยวสุขบ้างเดี๋ยวทุกบ้างเดี๋ยวไม่สุขไม่ทุกบ้างแล้วมันเป็นอนัตตามันเป็นปรากฏการณ์ธรรธรรมชาติที่ไม่มีใครไปควบคุมบังคับมันได้มันดินฟ้ากายใช่ไหมมันมันจะทุกข์มันก็มามันมันจะไม่ทุกข์มันก็มามันจะไม่สุขไม่ทุกข์มันก็มามันน่าแต่เหตุปัจจัยทําให้มันเกิดภาวะเหล่านี้ขึ้นมา เราเป็นผู้มารับรู้มันคือใจวก็เราถ้าเราเข้าใจไปว่ามันเป็นธรรมชาติเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติเหมือนการดินร้ากันเราก็จะไม่ไปคอยควบคุมบังคับมันถ้าเราไปคอยควบคุมบังคับมันอยากให้มันหายเวลามันเจ็บก็อยากให้มันหายเวลามันสุขก็อยากให้มันอยู่นมันก็จะทาให้เกิดเวทนาทันเรื่องเกิดความทุกข์ทางใจขึ้นมา ความทุกข์ที่น่ากิทุกข์ในอริยาาสัจสีทุกข์ที่เกิดความอยากเพราะวัฏฏนามิวิวัฏฏนาถ้าสุขวิทนาก็อยากให้มันอยู่ก็เป็นภาวะตัณหาถ้าทุกขเวทนาก็อยากให้มันหายก็เป็นมิวิวัฏฏนาเอามันเกิดตนัณหาขึ้นมันก็สามารถเกิดความปัดปวดในใจเราทำให้ใจเราไม่มีความสุขเวลาเจอเวทนาเหล่านี้ แต่ถ้าเราศึกษาและเข้าใจธรรมชาติว่ามันเป็นเหมือนดินฟา้าอากาศเหมือนแปดปวดไปดไดเรื่อยๆเปลี่ยนแปลงไปเหมือนดินฟา้าอากาศเดี๋ยวรอ้อนเดี๋ยวหนาวเราก็พยายามเรารู้ว่าเราเปลี่ยนมันไม่ได้นะ่ถ้าเป็นดินฟ้าอากาศเราก็อยู่กับมันไปหนาวก็อยู่กับมันไร้อนก็อยู่กับมันไปทั <Okay. S 1> ้งนั้นเอง ไม่ให้ไปกลัวมันไม่ให้ไปกลัวนไม่ให้รักไปชังมันอยากไปรักสุขเวทนาอยากไปชังทุกขเวทนาเท่านั้นเองมันก็จบเจ้าค่ะทีนี้พอแบบนี้ยทุกขเวทนาแบบนี้เกิดขึ้นแล้วลูกไปลู ก, ลกนําคําสั่งสอนของพระอาจารย์มาทําแบบเนี้ยเจ้าค่ะลูกก็เลยแบบรู้สึกว่าเออเดี๋ยวมันก็หายไปเพราะาเป็นธรรมชาติอย่างที่พระอาจารย์สอนลูกจําได้เสมอเลยเจ้าค่ะและแต่ว่าปัญหาคือพอลูกเข้าใจแบบนี้ปุ๊บ จิตของลูกก็กลับไปอยู่กับบริกรรมมาเจ้าคะ่ะลูกก็เลยสงสัยไม่เป็นไรได้เพาะบางทีจิตเราบางทียังไม่นิ่งพอเราก็ต้องใช้คําบริกรรมให้มันนิ่งคือปัญญาเราเข้าใจแต่แต่กิเลสมันยังไม่ยอมรับกิเลสมันยังอยากจะให้ปันหาหอยู่เราก็ต้องใช้คําบริกรร ม, มเพื่อสร้างควเบิกบานเป็นเพลเจ้าคะ่ะแล้วถ้าสมมุติว่าถึงจุดหนึ่งคือถ้าสมมุติว่า กิเลสคือยอมรับแล้วเข้าใจคือเราจะไม่ต้องกลับเข้าไปอยู่ในบริกรรมใช่ไหมเจ้าคะแล้วก็เฉยๆอยู่กับมันไปเฉยๆอ๋อเจ้าค่ะถ้ามันยังไม่ยอมเฉยก็ต้องบริกรรมให้มันเฉยอืมเจ้าค่ะแปลว่าถ้าสมมุติถึงจุดตรงนั้นได้ก็คือเราไม่ต้องจิตคือจิตก็จะไม่วิ่งเข้าไปอยู่ในคํา บ, บริกรรมก็คือจะดั้งรับรู้มันเฉยเอืม ลูกเหมือนเวลาเราเจออากาศนอตแล้วก็อยู่ประมันไปอากาศนาวแล้วก็อยู่ประมันไปอืมเจ้าค่ะลูกติดตรงเนี้ยเจ้าค่ะลูกแบบงงว่าแบบเออแล้วเราก็คิดแบบนี้นะคิดว่าเดี๋ยวเดี๋ยวทุกข์ก็หายไปก็เห็นว่ามันก็หายแล้วเดี๋ยวมันก็มาแต่ว่าเรายังอยู่กับบริกรรมตลอดเวลาเจ้าค่ะลูกก็เลยคิดว่าแปลว่าเรายังอยู่กับสติคือยังยึดกับสติตลอดมันก็มีทั้งสองอย่างมันต้องมีสติไปสนับสนุนปัญญาด้วย ถ้ามีปัญญาแล้ไม่มีสติมันก็ทําใจไม่ได้แล้วก็เฉยไม่ได้เจ้าค่ะมันสลับอยู่อย่างนี้เจ้าค่ะพอเวลาทุกมาลูกก็จะแบบเดี๋ยวมันก็ไปมันเป็นตายลากักเดี๋ยวก็ไปแล้วลูกก็เข้ากลับไปอยู่บริกรรมต่อเจ้ า, าค่ะมันซ่อนเขาอนหยุดบริกรรมดูเลยนลองอยู่ออยบริกรรมดูแล้ว<อ>ดูไม่นเฉยเฉยดูเลยไม่ได้ไหมอ๋อนั่นคือการที่สูดใช่ไหมเจ้าค่ะพีสูดรูึกว่าเราติดเรารับมันได้หรือยัง ยังไม่ยอมรับกระแสบุหรี่ขายังไม่เมากพอก็ต้องใช้สติช่วยใช่ไหมแกลับไปใหม่ก็กลับไปบริกรรมใหม่ก็ลองแบบนี้ใช่ไหมคะว่าอยู่ได้นานแค่ไหนอ๋อเป็นการพิสูตรระยะว่าเราสามารถจะอยู่กับมันเข้าใจมันได้แค่ไหนแต่ถ้ามันยอมมากจริงๆมันจะในความรู้สึกที่ไม่เหมือนเดิมติดแทนจิตที่มันรู้สึกเครื่องเมันจะเบาไปเลยมันจะว่างมันจะเย็นสงบไปเลยเวลาจิตมันยามรับได้ มั<ค>นจะเกิด <'s> ความรู้สึกมาสกจใจว่าอยู่กับมนันแล้ไม่กลงวมนัในใแล้วใจเราก็ับสบายเย็นสงบสบายขึ้นมาแต่ช่วงที่มันยังมีการต่อสู้กันอยู่ยังเกรงเครียอยู่แสดงว่ากิเลสมันยังสู้อยู่ mm. ยังไม่ยอมยังไม่หยุดยังไม่เย็นท oh. ําทให้ก oh. ิเลส ย, ยอมหยุดเย็นเมื่อไหร่ปั๊บเนี่ยมันจะจิตที่ร้อนกังวนกระวายกระสับกระสดายนี่มันจะ ตายไปแล้วมันจะเหลือแต่ความเย็นความสงบความสบายเวยทนานก็ยังอยู่แต่ไม่เดือดร้อนอไม่ทุกข์กังวลอนนั้นอันนั้นเกิดจาปัญญาอ๋อเจ้าค่ะลูกลูกเข้าใจแล้วค่ะเจ้าค่ะก็คือให้ให้ให้ทดลองแบบนี้ไปว่าลองวัดดูว่าถ้าเราไม่ลองบริกรรมแล้วจะอยู่ได้ไหมถ้าไม่ได้ก็กลับไปบริกรรมใหม่ก็คือฝึกฝึกแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกระทั <จน S 1> <อ>่งมีจิตยอมรั บ, รบที่จะทำลา<ำ>ยแล้วก็อยู่แล้วก็เย็น ยหยดอยาแล้วก็จะเย็นเจ้าค่ะเจ้าค่ะลูกลูกติดตรงนี้เจ้าค่ะเพราะว่าทีไรก็เข้าไปบริกรรมทีไรก็อยู่กับเข้าไปบริกรรมทันทีเลยเจ้าค่ะลูกก็อ๋อพอเราใช้บริกรรมบริกรรมเพื่อให้ใจมันเย็นไงเนจ้าค่ ะ, ะทีเราก็ลองลองลองใช้ปัญญาวนๆหนๆๆูถึงว่าไม่ต้องบริกรรมเนอะยอมรับกันได้เปล่าเจ้าค่ะเจ้าค่ะก็สังเกตว่าเอพอสติมัน มีกําลังมันก็ไปได้เรื่อยๆของมันนะเจ้าค่ะประมาณชั่วโมงกว่าบางทีก็สองชั่วโมงแบบไปเรื่อยๆเจ้าค่ะเวลามันมีกําลังอ่ะเจ้าค่ะเดี๋ยวลูกจะทดลองตรงนี้เจ้าค่ะว่าเข้าใจแล้วเจ้าค่ะว่าจะใช้ปัญญายังไงเจ้าค่ะทีเจ้าค่ะทีนี้คําถามที่สองเจ้าค่ะก็คือจากคาถามที่สองคือว่าขณะที่ลูกนั่งอ่ะตอนแรกๆที่ที่ยังยังสงบไม่ไม่ยังเข้าสงบไม่เต็มที่เนี่ย มันจะมีภาพอะไรหลายๆอย่างเข้ามาในในหัวเจ้าค่ะเข้ามาเรื่อยๆทีนี้ภาพที่เกิดเนี่ยส่วนใหญ่มันไม่ใช่เป็นภาพของตัวลูกเจ้าค่ะลูกไม่รู้ว่าเป็นภาพของอันของใครของอะไรแต่มันไม่เคยเป็นมันไม่ค่อยจะเป็นภาพไม่ต้องสนใจเดี่ยวมันเป็ น, ม, น, ปนมันเป็นภาพของมายาของกิเลสของจิตมันเลิตขึ้นมามันไม่ต้องสนใจให้เราอยู่กับพุโทโธแล้วอยู่กับลมหายใจเสร็จ ้คะอะไรจะมาปรากฏเป็นภาพเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสหรือเป็นอะไรก็ตามไม่ต้องไปสนใจพิจารณามันเป็นใต้ร่างไปให้มันแล้วก็ไปปลมอืยวางมันจะได้กลับมากลับกลับมาอยู่กับคําบริกรรมหรืออยู่กับลมหายใจไปเรื่อยๆแล้วภาพเหล่านั้นเนี่ยคือเป็นสัญญาเก่าได้ไหมเจ้าคะสัญญาเก่าที่แบบ หรือว่าไม่ต้องไปสนใจอะไรไม่ต้องไปสนใจค่ะไม่ต้องไปหาค้นหาไไม่ต้องไปรัเสี่ยงหรือว่าเป็นตายลักก็พอเจ้าค่ะเจ้าค่ะก็ให้อยู่กับคําบริกรรมไปเรื่อยๆใช่ไหมเจ้าค่ะลูกลูกเป็นคนที่เข้าแบบคือจะสงบนานมากเจ้าค่ะลูกต้องนั่งเกินชั่วโมงขึ้นไปถึงจะได้ความสงบทีละนิดทีละนิด ก ต, ติมันค่อยๆบิ้วขึ้นมาค่อยๆเพิ่มขึ้นมาจนมี ก, กำลังทําให้จิตนั่งได้ใช่เจ้าค่ะนานมากเ<ม><ม>จ้าค่ะลูกตอนเมื่อก่อนลูกนั่งแค่สี่สิบนาทีห้าสิบนาทีเนี่ยยังไม่เห็นผลว่าว่าเข้าถึงความสงบเนี่ยแม้กระทั่งเล็กน้อยเป็นยังไงแต่ลูกต้องนั่งเลยแบบข้ามเป็นชั่วโมงชั่วโมงไปอ่ะเจ้าค่ะถึงถึงจะสัมผัสได้นิดหน่อยอ่ะเจ้าค่ะสัมผัสได้บ้าง เจ้าค่ะลูกเป็นคนสติตอกสิบ้างเวลาที่ไม่ได้นั่งมาฟังสติอยนี้เลยเจ้าค่ะเจ้าค่ะเจ้าค่ะลูกเข้าใจพอเข้าใจเทคนิคแล้วเจ้าค่ะเดี๋ยวลูกจะนําไปทดลองจะนำไปใช้เจ้าค่ะนำไปใช้ได้เจ้าค่ะกลับขอบพระคุณพระอาจารย์เจ้าค่ะสาธุก็ครับทีโชว์าดคะนี่กลับมารัทการครับก็ อาทิตย์ที่แล้วก็ได้ไปที่ที่กระบี่อครับก็ไปถามก็พอดีผมเป็นหมอนรองกระดูกก็เลยไปทําบุญตักบาตรครับได้ไปคุยกับท่านว่าเรื่องให้ส่งสมาธิตลอดเวลาท่านก็ไปถามท่านก็พระอาจารย์ชาติบอกว่าให้เหมือนก็คือว่าการรักษา ส, สติตลอดเวลาท่านก็บอกว่าใช่ครับให้กษัตริสติต้อตลอดเวลาให้เหมือนนายทวารประตูครับ ก็ก็ก็ผมก็เห็นท่านท่านมีนิหารธรรมที่ท่านจะนั่งนิ่งแล้วท่านก็จะรักษาแบบสมาธิตลวะท่าไม่ถามหรือว่าไม่พูดอยู่กับท่านสองกัสองคือท่านก็จะไม่พูดคือท่านมีอัจฉริยัยที่จะแบบไม่ไม่ค่อยใครมาแบบยุ่งวุ่นวายอะไรกับท่านเยอะเหมือนเหมือนพระอาจารย์คือไม่มีรู้สิษย์อะไรเงี้ยครับก็รู้สิษย์เขาจะดูหทางครับก็ ก็กก็็ขอท่านก็เป้าหมายก็คือว่าเดี๋ยวจะไปปฏิบัติธรรมครับที่ที่กระบี่ครับก็ได้คุยกับท่านแล้วก็บอกบอกเออ่จ้าวาดไว้แล้วว่าว่าจากเขากัดไปครับดีไปบ่อยๆไปมากๆดีว่ไปเที่ยวนะปฏิบัติธรรมดีกบไปเที่ยวแต่ผมก็รับรับทําตามที่รับปาไว้กับพระอาจารย์ครับเพราะว่าทําเป้าหมายครับแล้วก็ช่วงนี้งานเยอะครับแต่ว่า ยิ่งย่งงานเยอะแล้วก็เห็นธรรมามากขึ้นแล้วก็รู้รสึกว่าพิจารณาธรรมายากๆเช่นสันสันเหลกธรรมเนี่ยผมเพิ่งรู้จักเนี่ยผมก็เอามาดูแล้วก็ก็ทําได้หลายข้อครับแต่บางข้อเองทำไม่ได้ครับดีพยังามทำไปเรื่อยๆศาไปเรื่ๆครับก็ระลึกถึงว่าคุณพระอาจารย์เพราะว่าอยู่ตรงนี้ก็ได้ถามพระอาจารย์ก็คือห ม, หมดหมดข้อสงสัยแต่ว่าถ้าเราได้ออกไปไปฏิบัติมันก็อีกแนวทางหนึ่งครับ okay. ครับครับรถึงถึงอริยััิปฏิบัติปฏิเวชนะศึกษ า, าปฏิบัตินั้นก็บรรลุผลบนะ่กรุณาพระอาจารย์เป็นสภัทนาจากบอวินชมนุรเใชญกาลมาสการพระอาจารย์เจ้าค่ะวันนี้เข้ามากราบพระอาจารย์เจ้าค่ะแล้วก็มาขอร่วมฟังธรรมเจ้าค่ะยังปฏิบัติอยู่นะ ยังปฏิบัติค่ะตอนนี้ก็ถือสี่แปมาได้เดือนหนึ่งแล้วเจ้าคะอาจารย์โอเคดีไหม <S <S มันมันดีตรงที่ว่าเราเราไม่ไม่ห่วงมันมีเวลาว่างมากขึ้นเจ้าค่ะอาจารย์คือทํางาน<อ>ทํางาน เ, <อ>เป็ น, เ ป, นเป็นน้อยลงหมายถึงว่าเวลาทํางานเราเราก็ปกติแต่เรื่องเรื่องเออห่วงเรื่องอื่นมัน้อยลงเจ้าค่ะ<อ>แล้ ก, <S <S ก็แก่แก้เรื่องสมาธิที่ว่าเวลานั่งมันจะลับเนี่ย ตอนตอนที่มันจะลงไปหลับตอนนี้เริ่มเริ่มเห็นเจ้าคะ่ะอาจารย์เนื่องจากอาจจะเป็นเพราะว่าเรามีสติจับคอยจับอะค่ะ mm hmm. พอมันมันจะช่วงที่มันจะเข้าถึงเข้าเอ้าเข้าความเงียบอะค่ะมันจะมันจะวแว บ, บไปว่ามันจะหลับแต่มันพอพ อ, พอเรามีสติมันก็เลยไม่ลงไปตรงนั้นเจ้าค mm ่ะอาจารย์อ่าถูกต้องเจ้าค่ะตอนนี้เห็นตรงนั้นแล้วก็พยายามพยายามคอยคอยมีสติเจ้าคะ่ะอาจารย์ mm hmm. ตอนนี้ก็ฝึกก็มา mm hmm. ลึกสักทีบ่อยๆมากเจ้าค่ะแล้วก็แล้วก็อีกนิดนึงก็คือเวลาเรามีความไม่สบายใจมันจะมันจะเข้าใจเลยว่าเกิดจากความอยากทุกครั้งเลยค่ะอาจารย์เจ้าค่ะตอนนี้ก็เริ่มเริ่มเยนหยุดความอยากยุดความอยากยอมรับความจริงไปเจ้าค่ะเจ้าค่ะอาจารย์ขอบพระคุณเจ้าค่ะสาธุสาธุเจ้าค่ะอาจารย์ ไปเอ USA Las แอนเจล s นิสากับนมัสการพระอาจารย์ค่ะ hmm. ก็อาทิตย์ที่ผ่านมาลูกมีปัญหาเรื่องเรื่องเกี่ยวกับกลัวความความแก่ความเจ็บความตายแต่ว่าหลังจากที่ลูกท่องตลอดเวลาหมายถึงว่านึกขึ้นได้ก็ท่องแล้วก็เดินจงกมหลังจากนั่งสมาธิทำให้ลูกแบบติดลูกยอมรับมากขึ้นเลยค่ะก็คือ ตอนนี้ดีขึ้นมากๆาเลยค่ะมันช่วยได้เยอะค่ะพระอาจารย์แล้วก็บอกด้วยว่าเราไม่ได้เป็นน่า่่งกายมันจะ ย, ยิ่งช่วยได้ใหญค่ะพระอาจารย์ใเราเป็นผู้ใช้ห น, น้าง่งกายค่ะพระอาจารย์แล้วก็ลูกก็ทําให้เวลานั่งสมาธิทําให้ลูกรู้สึกว่าจิตลูกเจะนิ่งขึ้นนะคะตอนช่วง น, นิ่งมันจะเหมือนจะนานมากขึ้นนะคะค่ะพรอะอนะาจารย์ใช่ใช่ค่ะค่ะแล้วก็ คือลูกก็ไปหาตัวช่วยมาค่ะไม่รู้ว่ามันจะดีป่าค่ะคือมันเป็นไอตัวสิงเกิลเขาอะค่ะพระอาจารย์มันเป็นคล้ายๆตัวนับอะค่ะทํามันเกี่ยวไว้ที่นิ้วค่ะทําให้เรารู้สึกว่าเราจะต้องท่องตลอดนะคะพระอาจารย์ก็ท่องอีกปพิสโสด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็วันหนึ่งก็ท่องกเป็นร้อยๆอาจาย์เป็นการจะระเสถไปใช่มันก็ดีค่ะพพระอาจารย์เวลาบางทีลูกออกไปข้างนอกค่ะมันเกี่ยวไว้ที่ ที่นิ้วเราอะไรเงี้ยบางทีเราไปร อ, ออะไรเงี้ยค่ะเราก็เร า, เรามีสซตใช่ค่ะสวดไปแล้วก็กดไปแล้วเราก็บางทีเราก็มาดูวันนี้เราเราท่องเป็นร้อยเลยบางทีก็เป็นสองร้อยก็อเงี้ยมันก็ดีขึ้นนะคะพระอาจารย์แล้วก็เมื่อวานลูกไปไปวัดมาค่ะ ท, ที่เขาที่แถวรับเมืองหลักคนเต้ค่ ะ, คะวัดค่ะ ว, วัดป่าทํา วัดป่าธรรมชาติอ๋อวัดป่าธรรมชาติก็ได้ยินทค่ะค่ะก็ก็ดีค่ะก็ทําให้จิตใจสงบก็ไปตักบาตรนิดหน่อยนะคะพระอาจารย์ก็แต่ว่าวัดเขาก็มันนุ้ไม่แน่ใจว่าเป็นวัดสายวัดป่าคืออืมน่าจะมากาจะมีมีพระันไม่เดียวป่าพระชันไม่เดียวไม่ป็่ปวัดป่าพระชันเพียนก็ไม่ใช่วัดป่าถ้าวัดป่าพระจะฉันในป่าฉันมือเดียวกันเป็นหลัก ค่ะค่ะพระอาจารย์ไม่ไม่ไม่แน่ใจค่ะแต่ลูกลูกที่ว่าพระอาจารย์ที่เป็นพระเจ้าชพระจ้าจาอววาท่านท่านน่าจะเป็นเป็นสายหลวงหลวงพ่อวิริยังค่ะลูกเห็นค่ะแต่ก็เป็นสายหลวงหลวงหลวงปู่มั่นเหมือนกันนะคะพระอาจารย์ค่ะก็ดูคาสอนของท่านท่านสอนทางศีลธรรมาภิญญามาทางสหเปล่าะก็ส่อนส่งบก็สั่งบอนะก็่งอกนะก็สงบอนะค็สั่งกงอะ่องอก่อ่งอก็่อกัน่ะ แต่ว่ามันเหมือนก็มีดีมีดีเหมือนกันนะคะคือเขามีกิจกรรมแบบมีโรงเรียนมีนักเรียนมาเรียนอะไรเงี้ยแบบมีสาวอาทิตย์มีนักเรียนสอนเหมือนแบบคล้ายๆวัดไทยที่เนี่ยค่ะก็คือส่วนใหญ่ก็จะมันอาจจะต้องปรับเข้ากับสังคมยังเป็นวัดป่าน้นโน้นยังคงจะเป็นไปไมได้ต้องอาศัยญาติโยมมาคอยทุ่มแล้วญาติโยมอยากจะให้มีโรงเรียนอะไรมันก็ต้องขาดอย่ไม่ได้ ค่ะก็เป็นประมาณนั้นนะคะค่ะแต่ก็ก็ดีค่ะพระอาจารย์ก็ลูกก็ไม่มีอะไรนะคะพระอาจารย์อ๋อลูกมีถ้าอยากจะไปวัดป่าเราไปที่แซนเดก็วัดพระจ่าเจดเดอร์วเมตตาน้องเสิร์ฟเนี่วัดเมตตาค่ะอยู่แถวแซนเดก็โอกไปเหมือนกันค่ะพระอาจารย์นจะไป็กาปฏิบัติปิบับัจริงอ๋อค่ะ ใช่อันนี้อันนี้ น, น่าจะไม่ไม่ใช่วัดปฏิบัติคือแบบเข้มข้นขนาดนั้นนะคะพระอา<ม>จารย์ค่ะก็ไม่มีอะไรค่ะพระอาจารย์พอดีลูกมีเรื่องของคำพอดีลูกไปอ่านในเพจหนึ่งเขาบอกว่าเออแต่ปัจจุบันเนี้ยคนทางคนจะบักเกิดเกิดน้อยลงเพราะว่าคนทําบาปมากขึ้นนะคะพระอาจารย์แล้วก็ตามหลักหลักอระพุทธศาสนาก็คือคนทําบาปก็ต้องคือไปตกนรกค่ะแล้วคนเขาก็บอกว่า อย่างเงี้ย เ, เป็นเป็นคําจํากัดความบอกเขาว่านรกแตกรู้ว่าขับมาค่ะอาจารย์นรกแตกหมายถึงว่าคนก็คือไปอยู่นรกไม่มีใครขึ้นมาเกิดแล้วอะไรเงี้ยแต่จริงคาว่านรกแตกนี่มันมันเป็นจิตใช่ไหมคะยังไงมันก็ไม่มีการแตกมันไม่ได้เป็นส่ว<ค>น ว่าหมายถึงว่ามันอาังจากคนไปอยู่มันเยอะเยอะหน้าท้อมันเปใช่ค่ะลูกก็ขำขำค่ะแต่แล้วโลมันเป็นเรื่องสภาพจิตถึงแต่ละคนไม่ได้เป็นใช่ไหมคะมันไม่มีการแตกใช่มันไม่ได้เป็นสารที่มันไม่ได้เป็นสารที่กับกันอนทำบากแบบแบบคุกตลาดไม่ใช่เหรอคะค่ะอาจารย์ก็ไม่มีอะไรค่ะก็แค่นี้ค่ะข่อาจารย์ก็อย่าไปทําบาปแล้วกันทำบาปแล้วใจเราจะทุกข์นะใจเราจะเพียน ทามือและใจเราจะยัจะสบายใช่ค่ะใช่ค่ะพระอาจารย์ก็ไม่มีอะไรค่ะค่ะขอให้พระอาจารย์ธาดขันแข็งแรงนะคะทำไปเรื่อยๆฝึกสติไปเรื่อยๆอย่าลืมค่ะพระอาจารย์ตายค่ะลูกท่องท้องตลอดเลยค่ะให้มันฝังอยู่ในใจอ่ะค่ะคือตอนนี้เป็นจุดจุดด้อยของลูกค่ะถ้าลูกผ่านตรงนี้ได้มันก็ก็จะดีก็จะทําให้รู้สึกว่าจิต นิ่งสงบอะค่ะพระอาจารย์ <Hey. S 2> ก็พยายามพยายามให้มันฝั่งไปแต่บางทีลูกก็คิดเหมือนกันว่ากลัววมันจะเป็นหินทับยาไหมคะพระอาจารย์มันไม่เราที่เป็นปัญญาปัญญาค่ะ<อ>คือคือหลังมันจะทำให้เรายอมหยุดเยน็นค่ะพระอาจารย์หลังจากาเราเดิน ค่ะอาจารย์เราต้องคิจารอดเวลาคือหลังจากนั่งสมาธิแล้วหลังจากเดินนงกลมถ้ามีเวลาเราก็ต้องนึกถึงใช่ไหมคะอาจารย์ที่บ่อยๆอยวันละค่ะพระเจ้าบอกว่ายิย่งมากทาเท่าไรได้ทุกลมหายใจเข้าอาอกได้ย่างดีค่ะอาจารย์สาธุค่ะะอาจารย์รู้จะพยายามค่ะค่ะน้อมนําปฏิบัติค่ะอสาธุค่ะไปที่คุณทิพวรรณฮาวิเอเซย์ย่อม ครับขอบคุณหลวงพ่อพระอาจารย์ะคะ่ะตั้งแต่นั่งในห้องของหลวงพ่อมาก็ได้เรียนรู้หลายอย่างจากห้องนี้แล้วก็ห้องวันอังคารคะ่ะเข้าที่โยได้พิจารณามาก็เวลานั่งฟังนะคะก็จิตก็น้อมรับ แต่ความเพียนของโยมมันก็ยังใช่ไม่ได้ค่ะอาจารย์แต่โยมก็ก็ไม่ได้ถึงกับขยันแต่ก็ไม่ได้ลาทิ้งเจ้าค่ะสิ่งที่ได้เห็นผลก้าวหน้าขึ้นมาบ้างก็คือกำลังของสติค่ะพอมีกำลังของสติพอตัว ไม่ที่มีตลอดเวลานะเจ้าค่ะควา ม, าม เ, เวทนามาา ก, ากลเลยค่ะ<อ>แล้วคาลังนําลังใจความเพลินมันก็จะเพิ่มตางไปเรื่อยๆตามสติเมื่อฝึกสติบ่อยๆอย่างที่เมื่อกี้คนที่สาบมุ่งแล้วเกิดความแก่ความเจ็บความตายอย่างนี้ไป<อ>มันก็จะช่วยเรามีสติมากขึ้นได้จะใช้วิธีอื่นไมได้ ใช้บุญทอก็ได้ใช้ส่วนอีพีเปโซไปก็ได้หรือคอยเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายในทุกเมื่อหมดก็ได้ค่ะโยมก็รับทั้งหมดที่พระอาจารย์ได้แนะนำนะคะ่ะแต่หลายๆครั้งก็จะใช้ความเคลื่นนะะอนไหวค่ะค่ะแล้วพอจับอยู่กับความเคลื่อนไหว หรือเวลาใช้พุโทโธความสงบความเงียบค่ะมันเห็นพลังของสมาธิค่ะแพระอาจากก็ได้เตือนเสมอว่าไม่เราอย่าไปใส่ใจติดใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีหูมันก็ได้ยินนะคะ แต่มันไม่ได้ยินลึกถึงขนาดนานแต่ว่าได้ยินบางทีเดินออกไปข้างนอกเดินจงกลมไปด้วยก็จะได้ยินเสียงจาก ไ, ไกลๆแต่พระอาจารย์ก็บอกว่าอย่าไปใส่ใจกยิ่งด็ยิงย่งเราไม่ใส่ใจความชัดเจนก็มากขึ้นค่ะทเท่าที่ผ่านมาค่ะโยมกม็มีตรงนี้อค่ะ แต่ก็ไม่ไม่ได้ติดใจเพราะหลายอย่างยยมรู้สึกว่ามันไม่ได้เพิ่มภูมและให้ประโยชน์เพียงแต่เป็นอาจจะเป็นเพราะจิตเรายังไม่รักษาไม่ได้นานนะคะพลังเรายังไม่เต็มที่แล้วโยมก็ไปฟังธรรมนากุติแล้วก็มีสัชนานะคะ่ะสองอันนั้นมันก็เกิด สมาธิอ่ะพอได้ยินได้ฟังธรรมะค่ะขึ้นโดยที่ไม่ต้องดูลมหายใจแต่เวลาตั้งใจจะดูลมหายใจหลายๆครั้งก็ไม่ได้เกิดค่ะแต่พอเราไม่ได้คิดอะไรมากว่าเราทำให้อย่งพระอาจารย์พูดเมื่ออาทิตย์ที่แล้วค่ะว่าให้ดู ใช้ในชีวิตประจําวันในห้องภาษาอังกฤษอะค่ะหวังว่าธรรมะนี้จะช่วยให้นําไปใช้ในชีวิตประจําวันอันนี้ก็ใช่อะค่ะเพราะทุกอย่างมันก็เกิดธรรมะทั้งนั้นนะคะไม่ว่าโยมจะทําอะไรโดยเฉพาะเรื่องไตรลักษณ์พระอาจารย์ก็เน้นโยมก็เห็นพอเห็นตรงนี้อุเบกขามันก็เกิดขึ้นอัตโนมัติแต่ก็ไม่ได้รักษาไว้ได้อ่ะค่ะ พาจารย์ก็ยังบอกว่ามันก็เกิดการเสื่อมสมาธิเท่านั้นที่จะช่วยได้โยมก็พยายามเจริญสติค่ะแล้วก็เห็นผลพลังของสมาธิค่ะโยมพื้เหมือนโยมรู้โยมไม่ได้รู้มากนะคะเพียงแต่จำและนำมาพรริจารณาแล้วก็มันก็ออกมาค่ะสร้างเหตุปัจจัยมันก็เกิดะค่ะแล้วก็เห็นตัวเองว่าค่ะ ก็ดีทำไปเรื่อยๆอะไรที่ทำให้ใจเราเย็นใจสงบ ม, มันนั้เป็นเป็นสิ่งที่ถูกต้องเนะจ้าค่ะโอเคนะมีอะไรัหยก็มีแต่ตนเองที่ยังยังทำน้อยอค่ะต้องแล้คความ ต, ตายบ่อย<ๆ>คิดถึงว่าชีวิตเราไม่มีความแน่นอนอาจจะตายเมื่อไหร่ก็ได้ตายแล้วก็โอกาสที่จะได้ปฏิบัติ้ะหมดไป ตอนนี้มีองค์การอยากปล่อยให้เวลามีค่านี้ผ่านไปรีบรีบขุดทองนกะารปฏิบัติธรรมนี่เป็นเหมือนการขุดทองขุดซับไปไหนขุดอริยาซับเนะี่ยซึ่งมีมีหน้าราคามากกว่าทองทองขับแทห้หลายลา้านเท่อาจ้าโอเคนะเอาเท่านี้ก่อนนะจับขอบคุณเจ้าค่ะโอเคไปที่แมรี่แลนด์ต่อซิลเวอร์สปริง มันสเลทนวันนี้ำนนทำงานที่บ้านนะทำงานที่บ้านค่ะพระาจารย์กับน ร, รมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะวันนี้โยมไม่มีคำถามเลยค่ะวันนี้อาทิตย์ที่ผ่านามาค่ะเข้ามาร่วมรับฟังแล้วก็มีประโยชน์มากๆที่โยมต้องออกไปใช้ปฏิบัติแล้วก็อลองดูอะคะ่ะมันจะอาจจะเปลี่ยนแปลงวิธีการหรือทำให้ความสงบมีมากขึ้นแต่อาทิตย์ที่ผ่านมามันมีแต่ความฟุ้งนะคะมี มันความคิดเต้งไปหมดเลยค่ะอาจารย์มีปัญหาเรื่องงานเรื่องเพื่อนเต็มไปหมดเลยค่ะอาจารย์สติหายหมดสติหายหมดไม่การเจริญพราสติสมาธิปัญญาไม่มีเลยสักอย่างค่ะอาจารย์แล้ที่ฟังท่านอื่นๆมารู้สึกว่าตัวเองนี่ยังอีกยาวไกลรู้สึกว่ามีแต่ความอยากไปไม่หมดเลยมีแต่ความหลงยังทํางานอยู่ยังคิดนู่นคิดนี่อยู่ค่ะพอาจารย์ยังต้องปฏิบัติอีกมากค่ะอาจารย์ แต่ก็รู้สึกว่าพระอาจารย์ท่านท่านเมตตามากๆสั่งสอนลูกศิษย์เกือบทุกวันเลยแต่ลูกศิษย์ก็ไม่ค่อยมันไปไหนไม่ค่อยได้ดิค่ะพระอาจารย์ก็มีมีบางคนเขากาไปได้ดีไม่ใช่ก็พระอาจารย์นั่นการปฏิบัติเรามันอาจจะเป็นแบบขึ้นๆลงๆช่วงช่วงมาดีบางช่วงมาไม่ดีนั่นเป็นได้ไก็แล้วกันอย่าเลิกก็แล้วกันอย่าถอยก็แล้วกันค่ะไม่เลิกค่ะเพราะ ก็เข้ามาฟังทำนี่แหละค่ะแล้วก็ได้กำลังใจจากทุกทุกท่านแล้วก็รู้สึกว่าอุ้มไม่ได้เราตัวเองต้องต้องเอาใหม่ทําใหม่อย่างเงี้ยค่ะครัอบอาจารย์ก็ค่อยค่อยค่อยค่อยเล่นอาจารย์เราเป็นเหมือนพวกกลุ่มแอลเขาเรียกว่าแอลกอฮอล์เล็กที่ต้องมาจับกลุ่มคุยกันว่าเราติดเหล้าเราเลิกเหล้นาได้หรือยังอ<ม><ต>าจารย์น่าจะแบ่งกลุ่มใครทำเราติดกิเลยสเราเลิกกิเลสได้หรือยัง ค่ะรู้สึกสำนึกผิดแล้วค่ะพระอาจารย์เดี๋ยวกไปทําใหม่ค่ะพระอาจารย์เดีแต่ยังไม่เริกนะคะพระอาจารย์ยังทําปฏิบัติทุกวันเพียงแต่ว่าผลมันน้อยเหลือเกินค่ะใจะเย็นๆกรุงลงไม่ได้สร้างภายในวันเดียวค่ะพระอาจารย์แ่ะอาจารย์พูดอย่างนี้นิยมเดี๋ยวจะใ จ, ะจะเย็นไปกว่า น, นี้พระอาจารย์อยากให้ทำใจเย็นแล้วให้ทําแล้วค่ะใจเย็ น, นไม่ทําไม่ได้ทําไปใจเย็นไป นอนไปนี่ไม่เกิดประโยชน์อะไรทำใจนอนมันไม่เกิดประโยชน์อะไรค่ะก็พยายามสร้างสติก็พยายามคือเวลามีอะไรมากระทบก็รู้นะคะแต่ว่ามันก็อย่างที่กราบเลนพระอาจารย์ค่ะมันไม่มีทางสติสมาธิปัญญาสมิปัญญาอะไรยังไม่ทำเลยค่ะค่ะไม่เป็นไรค่ะไปเรื่อยๆนะค่ะค่ะพระอาจารย์ค่ะกับคุณพระอาจารย์ค่ะแล้วก็จิฟั่กกับพระอาจารย์ด้วยนะคะวันนี้คงเข้ามาไม่ได้ค่ะโอเคไม่เป็นไ สาธุค่ะักให้เขาปฏิบัตินะบอยจอนเต้จ้าสาธุค่ะโยมด้วยค่ะจะปฏิบัติด้วยค่ะอ่าคุณยินดีเชยินดีค่ะท่านอาจารย์ก็ลูกก็ไม่มีอะไรค่ะเดวิดฝากกราบท่านอาจารย์ค่ะแล้วก็บอยจอนเต้เหมือนเดิมค่ะเช่นเดิมค่ะผมส่งฝากขอบคุณไปด้วยฝาขอบคุณไปท่าอาจารย์ขอพระคุณในความเมตตาของท่านอาจารย์เป็นอย่างสูงค่ะ อืมโอเคเดี๋ยวทินดทานอะไรเจอกัา้นะนี่ค่ะเคขอต้อาจารย์ขอบพรคุณมากค่ะอาาคุณที่เป็นแนนดอนานีวัมาสดีครั้งับอาจารย์วันนี้ไม่มีคำถามค่ะนี่ยังไปที่เป็นบุนดอนานีต่อฝากเธอค่ะคุณวันท่านได้ยินไหมอยู่ที่ไหน กันไปก่อนกันมิวกั น, น, นมิมาครับคุณ ก, กราบคุณศาสตราจารย์เจ้าค่ะ อ, อ, อยู่เชียงใหม่เจ้าค่ะ เ, เข้ามาครั้งแรกใช่ไหมเนี่ยใช่ค่ะเข้ามาครั้งแรกค่ะแต่เราได้รับฟังทางสื่ออย่างอื่นรับฟัง อ, อคําสอนของพระอาจารย์มานานค่ะแต่เรื่องการปฏิบัตอิอถ้าฟังคนอื่นพูดแล้วรู้สึกตัวเองยังน้อยทําได้น้อยอยู่ค่ะไม่เป็นไรอย่างน้อยรู้ม่าเรา เป็นยังไงเราจะได้พยายามแก้ไขทำต่อไปให้มากขึ้นะครับรู้สึกวันนี้ตื่นเต้นดีใจมากเลยค่ะที่ได้มาตาบมรส ก, การท่านอาจารย์ใช่ไหมอะไรอยากจะถามไหมวันนี้อ๋อยังไม่มีคะ่ะขออนุญาตรับฟังไปก่อนนะคะท่านอาจารย์ค่ <c oughs> ะค <c oughs> ่ะก็คุที่ท่านตอบไปคุณตนตือาคุณต้ตยังมาทำอะาอา ค่ะนี่เป็นครั้งที่สองค่ะพระอาจารย์ที่เข้าซูมค่ะพระอาจารย์่ยินดีด้วยค่ะก็หนูมีคําถามพระอาจารย์ค่ะคือเออ่ที่ได้ฟังใน z o o อ, อไม่ใช่ซูมสิของด็ตรวีอะค่ะ mm hmm. พระอาจารย์พูดมีอยู่คํานึงอะค่ะที่มันสะกิดใจหนูพระอาจารย์บอกว่าเออ่ความสุขอะค่ะมันไม่ได้ขัดเกลาคนแต่ความทุกข์อะค่ะมันจะช่วยขัดเกลากิเลศซึ่งพระอาจารย์พูดคานี้เออ่บ่อย แต่พอช่วงที่ผ่านมาค่ะชีวิตหนูเจอปัญหาเยอะแล้วก็มีความทุกข์แล้วพอเริ่มแบบเริ่มฝึกสติอ่ะค่ะแล้วก็เลยมานลือกคำพูดพระอาจารย์ว่ามันจริงๆด้วยอะค่ะก็เลยอยากให้พระอาจารย์บอกว่าเหมือนอย่างคนก่อนปฏิบัตินะคะก็จะรักสุขเกลียดทุกข์แต่สําหรับนักปฏิบัติธรรมอะค่ะอยากให้พระอาจารย์บอกประโยชน์ว่าความทุกข์อะค่ะมันมีประโยชน์มากกว่าความสุขนะคะพระอาจารย์อยากให้พระอาจารย์ช่วยขยายให้นิดนึงค่ะพระอาจารย์มันก็เหมือนเวลาร่างกายอะ ร่างกายเราไม่เจ็บไข้เราก็ไม่หาย า, ยาใช่ไหมใช่ใช่ล้างล<ะ>้า <ละ S 2> ตลอดอนะพอเราพอเจ็บไข้ได้ป่วยเราต้องรีบไหายาค่ะใจเราก็เหมือนกันใจเราก็เหมือนร่างกายถ้ามันสบายมันก็ ม, นกมันก็ไม่ต้องไปหาธรรมะให้เสียเวลามันก็ไปกินไปเที่ยวไปเล่นไปใช่ซึ่งซึ่งก่อนหน้านั้นที่หนูยังไม่มีความทุกข์มากค่ะหนูก็ไป ไปที่ชนบุรีนะคะหนูก็แบบไปปฏิบัติธรรมแล้วก็ไปฟังธรรมะทุกเดือนนะคะอาจารย์ก็พยายามไปแต่มันอาจจะไม่เจอพ่อสอนมังคะพระอาจารย์มันก็เลยยังยังยังยาวอยู่่ไม่มีอะไรกระตุ้นให้เราทําให้อย่างเต็มที่ทำอย่างเอาจริงอาจย์ใช่ค่ะแล้วหนูก็เลยรู้สึกว่าเอา่อเข้าใจที่พระอาจารย์บอกแล้วว่าในการที่จะปฏิบัติธรรมอะค่ะการที่เป็นคนทั่วไปแล้วยังต้องทํามาหากินนอะความรู้สึกส่วนตัวหนูว่ามันน่าจะไปไม่ถึง เพราะเวลาหนูหนูนั่งสมาธิอะค่ะมันใช้เวลานานมากเลยนะพระอาจารย์กว่าจะเคลียรเรื่องงานเรื่องอะไรส่วนตัวแล้วให้จิตมันสงบป่ะค่ะก็เลยตั้งใจว่าเดี๋ยวอาจจะแบบเหมือนพอเคลียบภาระหน้าที่ได้ก็อยากจะไปเป็นนักปฏิบัติธรรมแบบเต็มตัวค่ะพระอาจารย์ใช่ตอนเราปฏิบัติเรา ก, ก็คิดว่าเราสามารถปฏิบัติไปทํา ง, งานไปได้ด้วยแล้วพอถึงจุดหนึ่งเขาจะรู้สึกว่าการทํา ง, งานนั้นเป็นุประสาทของการปฏิบัติธรรมนะ ใช่ค่กพระอาจารย mm hmm. ์เข้าใจที่พระอาจารย์ต่อพูดเลยก่อนหน้านั้นแหะหนูก็ว่าเอ๊ะมันก็น่าจะทําคู่กันไปได้แล้วพระอาจารย์ก็บอกว่าถ้าอยากปฏิบัติน่ะการมาบวชอ่ะมันคือการขึ้นทางด่วนชมันจะทําให้ไปได้ไวหนูก็ยังยัง mm hmm. เข้าใจแบบห้าสิบห้าสิบพอตัวเองเริ่มปฏิบัติโอ้ใช่จริงๆด้วยคือถ้ายังทํามาหา ก, กินอยู่ยังไงหนูก็ไม่น่าจะถึงฟันแน่เลยค่ะพระอาจารย์มันติดไฟแดงเยอะหนึ่งส mm ี่ห้าไฟแดงมันเยอะ อ๋อ oh, oh, <my S 1> ไฟ <my S 1> ไฟแดงตรงหน้าจุฬาด้วยค่ะอาจารย์แล้วก็อีกอันนึงที่หนูอยากจะถามอะค่ะหนูว่าเคยถามพระอาจารย์นักปุตติในเรื่องของการทํางานของกายกับจิตพระอาจารย์บอกว่ากายกับจิตมันแยกออกจากกันใช่ไหมคะพระอาจารย์หนูว่ามีคําถามสงสัยว่าร่างกายเราอะค่ะมันเกิดจากธาตุมันเป็นธรรมชาติทีนี้จิตเราเนี่ยอยู่ในโลกทิพย์แล้วเราใช้พวบเรามาเกาะกับร่างกายเพื่อควบคุมสั่งการหนูมีคําถามว่า การที่อวัยวะต่างๆเราทํางานเนี่ยค่ะพระอาจารย์มันเกิดจากธรรมชาติหรือว่าเกิดจากการที่จิตมาเกาะร่างกายทําให้หัวใจทํางานทําให้ปอดทํางานทําให้ทุกอย่างทํางานค่ะพระอาจารย์คือร่างกายมันมีเป็นระบบของมันไงมันทํางานของมันยอยู่แล้วเออยู่แล้วเพียงแต่จิตมามาใมาะเกาะมันเพื่อจะใช้ร่างกายไปทำอะไรที่ตามความอยากของ ใ, ใจเท่านั้นเอง อ่าก็คือก็คือว่าหัวใจลมหายใจพวกเนี้มันมันมันไม่ใช่ระบบของร่างกายไม่เกี่ยวกับจิตใจอ่ามันเป็นธรรมชาติไม่เกี่ยวกับจิตเลยจิตแค่มาเกาะใช่ไม่ค่อนขับร่อนการลดอนยนต์ร่อนยนต์เขาก็มีเขาก็มีระบบของเขาใช่ไหมที่ทําให้มันวิ่งไปไหนมาไหนทํางไหนได้มันไม่เกี่ยวกับคนขับมันขับเครื่องมามาสั่งการให้มันไปที่ทางไหนเท่นั้นเอง ก็แสดงว่าการทํางานภายในร่างกายรูปอการเลือดสูปฉีดหัวใจเต้นล ม, มหายใจต่างๆมันคือธรรมชาติไม่เกี่ยวกับจิตเลยไม่เกี่ยวนี่เป็นเรื่องของร่างกายนั่นนู้นทีนี้ก็กลายเป็นว่าแต่ <ใน S 2> จิ ต, จ, ตจิตสามารถมาม า, มากระทบกระเทือนมันได้เช่นจิตไปใช้มันกินมากเป็นไปอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นเรื่องของจิตละเกี่ยวของนี่น่าจะเครียดหนูแล้วค่ะอาจารย์มเดิมเล่ามาสูบบุหรี่มาอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้เป็นเรื่องของจิตละที่มา มาใช้ร่างกายให้มันไปไปเสพในสิ่งที่มันเป็นพิษเป็นไัต่อร่างกายค่ะก็อย่างนี้แสดงว่าจิตเราอ่ะพอตอนมาเกาะแรกๆเหมือนตอนเราเกิดอ่ะคะ่ะเราคอนโทรล ร, ร่างกายยังยังไม่เก่งก็เลยทําให้เราต้องคาต้องหัดยืนหัดเดินหัดพูดอย่างนี้ใช่ไหมคะอาจารย์ใช่แะหัดกับรถเนี่ยร่างกายพ อ, อเราพอเราคล่องขึ้นอ่ะเราก็เลยเข้าใจว่าร่างกายเราอ่ะมันเป็นของเรามันเป็นของจิตแต่จริงอ่ะมันแยกกันใช่มัน เป็นเมือนอดจากคนฉมจำลดนะเป็นการจำลดได้รลดมาใหม่ๆก็ต้องหัดกลับก่อนใช่ไหค่ะอีอนี้ก<ต>็กลายเป็นว่าคำไปคำไปเรื่อยๆจนกระทั่มันชํานาญก็เลยเลี้ยวเป็นเป็นเป็นเ้ำหนึ่งนันเดียวกันอืมซึ่งจริงๆไม่ใช่ใช่ก็กลายเป็นว่าพอจิตอ่ะเหมือนจิตหนูอยู่อยู่ที่หนึ่งแล้วหนูอ่ะมามีร่างกายเป็นชื่อตุ๊ตตูในชาตินี้ทีนี้หนูอ่ะก็เข้าใจว่าหนูอยู่กับมันตลอดต้องเข้าใจว่าไอ้ตุ๊ตตูเนี่ยเป็นตัวหนูจริงๆไม่ใช่ คือหนูควบคุมร่างกายได้เออ่ยืนเดินได้แต่หนูไม่สามารถสั่งการให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้ถูกไหมคะเป็นเรื่องของธรรมชาติใช่เป็นธรรมชาติของร่างกายที่ต้องเป็นไปตามตามเรื่องของมันแต่จิตอ่ะมันมันมั น, ม, นมีความเข้าใจผิดเหมือนที่พระพุทธเจ้าท่านท่านสอนว่ามันมีความหลงมันคิดว่า<ม> เ, ปเป็นร่างกายมันเลยทําให้เราทุกข์เพราะเราคอนโทรลมันได้ไม่หมดเราเลยทุกอย่างนั้นใช่ไหมคะใช่เพราะเราอยากให้มันอยู่ไปตลอดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตาย แสดงว่าเราอ่ะเหมือนพระอาจารย์พูดอสอนคนก่อนหน้านี้ว่าเราเป็นยูเซอร์เรามาใช้ทีนี้มันมันมันอยู่ที่ยูเซอร์ว่าเราจะใช้ร่างกายของเราเนี้ยไปทําอะไรใช่ไหมคะพระอาจารย์อันนี้ก็ส่วนหนึ่งแล้วก็ต้องรู้ด้วยว่ามันมีขอบเขตจำกัดร่างกายมันมีขอบเขตทั้งมันค่ะมันมีอายุการใช้งานใช่ไหมคะพระอาจารย์ใช่มันต้องแก่ต้องเก็บต้องตายเหมือนกับทุกอย่างรถยนต์มันก็ต้องเก่าแล้วก็ต้องพังไป ซึ่งแต่ละคนอาจจะมีอายุการใช้งานไม่เท่ากันแต่จิตะเราไม่สามารถรู้ได้ใช่ไหมคะคืออยู่ที่งานใช้งานของจิตถ้าถ้าจิตใช้งานก็ด้วยการถนอมทะนุถนอมมันก็อยู่ได้นานใช่ไมนามใช้แบบบรญญัปบรรยังไม่มีบัญญัปบรรยังก็พังเร็วอืมค่ะเอเข้าเข้าใจแล้วคะ่ะพระอาจารย์แต่มันก็มีมันก็มีกล่องมันจะจะใช้มันดียังไงมันก็ไม่เกิดร้อยปีใช่ไหม แต่ถ้าใช้แบบไม่ดีมันก็ห้าสิบปีก็ไปแล้วก็ไม่ดีคเพราะฉะนั้นอ่ะการที่หมืนหนูแบบเรื่องปฏิบัติธรรมอ่ะเอ่อการที่เมื่อก่อนอ่หนูไม่ไม่รู้เลยว่ากายกับจิตอ่ะมันแยกจากกาันจนหนูได้ไปฟังธรรมะหน้าผูติดหนูจะเข้าใจว่าจิตหนูเนี้ยมันอยู่ในร่างกายแล้วมันก็ทําอะไรต่างๆทีนี้พอหนูเข้าใจว่ามันแยกกนันอ่ะมันมันทําให้เราค่อยๆฝึกคิดอะค่ะผ้ า, าจานเหมือนที่ป่วดเป็นมาอะไรอย่างเงี้ยเราก็ค่อยๆฝึกคิดว่าจิตกับกายมันอยู่คนละที่อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นตอนนี้ เราก็ไม่รู้ว่าอายุการใช้งานร่างกายของเราตอนนี้มันแค่ไหนอะค่ะหนูก็เลย<ม>ก็เลยรู้สึกว่าเราเราน่าจะต้องปฏิบัติธรรมจริงจังแล้วอะค่ะตอนนี้ก็เลยแบบมีความอยากว่าเอาอยากจะทํางานแล้วก็เคลียร์ภาระรนิ้สินให้เรียบร้อยแล้วก็ได้ได้ไปแบบเป็นนักปฏิบัติแบบเต็มตัวค่ะพระอาจารย์อขึ้นธรรมด่วนจะได้เป็นเองเลยวะใช่ค่ะแล้วก็พอไม่มีผมอะค่ะหนูไม่รู้หนูคิดไปเองมยนะคะว่า เวลานั่งสมาธิแบบไม่มีผมอะค่ะมันเหมือนนั่งแล้วมันมันสบายกว่าตอนมีผมอะค่ะอาจารย์ใช่มันเป็นกรรมกรรมเหมือนไม่นอกเราโงเรื่องผมใช่ค่ะหนูก็เลยภาวนาว่าเอ๊ถ้าหนูรักษามะเร็งเสร็จหนูไม่อยากให้ผมขึ้นเล้วครับอาจารย์จะได้ไปบอกคนอื่นว่าทําไมกุนผมมันมีผมแล้วมันต้องเป็นมีภาระมาใช่ใช่ค่ะพระอาจารย์ใช่ค่ะพระอาจารย์โอเคหนูว่าหนูอะมีมีความสงสัยเรื่องของฟังก์ชันร่างกายเนี่ยค่ะว่าว่ามันทํางานยังไงกับจิตค่ะพระอาจารย์ มันไ ม, ไม่เกี่ยวกยับจิตอ่ะมันทำงานของมันไปตามคนละคนละส่ว น, วนแต่<ะ>แต่จิตสามารถไปทำให้มันไปกระตุ้นกระเทือนการทำงานของมันได้ดนการใช้ไม่ถู ก, ถกวิธีค่ะก็เหมือนแบบความรู้สึกเหมือนร้อนหนาวหรือเจาะเลื่อนมาก่อนอนะ่ะหนูจะไม่ดูเลยค่ะอาจารย์จนหนูก็รู้สึกว่า เอามันเป็นพระอาจารย์บอกมันเป็นแค่สภาวะเราลองฝึกจนตอนหลังก็ไม่กลัวเข็มอะค่ะข้อเจาะ ก, ก็ดูว่าอ๋อมันแค่ดูดออกจากร่างกายแต่ใจเรายังอยู่ในโลกชิตเราไม่ได้เกี่ยวอะไรกับสนหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับพระอาจารย์ใช่ถูกต้องเราเป็นเด็กแต่ผู้รู้ท่านี้ค่ะก็ก็พยายามฝึกไปนะพระอาจารย์ก็ขอให้หนูได้มีโอกาสก็คิดว่าอยากจะอยากจะจะอยากจะปฏิบัติแบบจริงจังอะพระอาจารย์ไปเียม่เป้าหมายเป้าหมายเป้าหมายก็คืออย่าไปทุกข์กับมัน ามายของการปฏิบัติก็เพื่อให้ใจใปล่อยวางไม่ไปทุกข์กับมันถ้าเราไปอยากมากเราจะทุกข์ใช่ไหมคะว่าเราอยากจะทําตรงนี้เพื่อจะอยากไปทําตรงนั้นใช่ก็ในสิ่งที่เราทําได้อย่าไปทําในสิ่งที่เราทําไม่ได้เราทําอะไรได้วันนี้ก็ทําไปอย่างนั้นใช่ไหมคะพระอาจารย์อย่าไปบีบบังคับมันต้องอาจจะต้องผักมันบ้อยนิดหน่อยนไม่อาจจะไม่ไปก้านะท้าขอพระอาจารย์ต้องเข็นมันบ้างถ้ามันไม่ไปเองก็ต้องคอยเข็นมันบ้าง ค่ะหนูเห็นที่เวลาหนูไปฟังธรรมะหน้ากุฏิอะค่ะจะมีจะมีพี่ที่บวชชีอยู่อ่ะค่ะไม่แน่ใจว่าเอพี่เขาบวชที่วัดยานหรือว่าบวชที่อื่นนะคะแล้วก็มาตรงนี้ที่วัดยานเขาจะเขาอยู่ได้ไม่เกินข้าวเจ็ดวันแล้วอยู่แบบอภิษฐ์อยู่แบบร่วมกันเออถ้าถ้าถ้าเป็นอย่างนั้นอะหนูหนูไปแต่ว่าจะมีพี่ที่เป็นลูกศิษย์พระอาจารย์นะคะที่เป็นแบบเป็นแม่ชีเลยค่ะอืมนั่นแหละก็เขาจะอยู่แบบ นุ่งขาของเขาแล้วเขาก็จะมีที่พักในวันให้อยู่ค่ะบครั้งแราไม่เกิดเจ็ดวันแล้วเขามีติดให้นองบสเช้าเย็นไหวพระจนแล้วถ้าวันเสาร์ที่วันพระเขาก็จะฟังธรรมก็มาฟังธรรมตอนบ่ายได้ค่ะอาจารยได้ค่ะเดี๋ยวหนูรักษาเสร็จก็คิดว่าปลายปีอาจะได้ไปปฏิบัติแต่ก็จะปฏิบัติก่อนแล้วกันค่ะเผื่ออยู่ไม่ถึงได้ปฏิบัติที่ไหนได้ก็ปฏิบัติไม่ต้องรอวัน ค่ะพระอาจารย์ก็วันนี้มะคะหมดหมดคําถามวันนี้สงสัยมานานแล้วพอดีว่าให้คีโมแ ล, แ, ลแล้วเราเทียห์ค่ะก็เลยไม่ได้เข้าอมไม่เป็นไรขอให้หายนะขอให้กลับามาหายเป็นปกติค่ะคุยกับกพระนะนะจิ้มค่ะหมดคําถามแล้วค่ะพระอาจารย์ขอบคุณค่ะกลับ ม, มาที่พรทยาคุณตายมีปฏิบัติหนึ่งต่ อ, อขอร้องการนัสการงครับอาจารย์ ก็กลับเข้ามาได้แล้วเนาะหายไปไหนไหนไหนทนะออกไปธุระเนะใช่ค่ะไปธุราที่เชียงใหม่กําลังนั่งฟังเรื่องจิตที่ว่ะอาจารย์คุยกับน้องเมื่อกี้ค่ะจิตของเราเอาต่อนะคะพระอาจารย์จิตของเราเนี่ยมันอยู่ในภบชาติที่แล้วใช่ไหมคะพระอาจารย์มันนิสัยอการเที่ยวการกินการดื่มอะไรเน่ะค่ะมันมันติดมาจากชาติก่อนเป็นนิสัยสัญดาณนะไร แล้วอย่างนี้มันจะมันจะหายไหมคะคะท่อยหายนี้ก็ต้องฝืนไงมันชอบกินเล้าก็ต้องฝืนมันจะไปกินเหล้าครั้งที่ใหญ่จะกินก็อย่าไปกิ น, กกก น, น, กนให้คิดเนึ่ว่ากินแล้วไม่เกิดประโยชน์กินแล้วเมากินแล้วทําให้สุขภาพเราทำยับเหยินทําห้อายุสัน้นอย่างเงี้ยมันก็จะทําทให้เราเปลี่ยนเปลี่ยนทิศสัยได้แต่ต้องพยายามไม่ใช่ของได้เคยทําอะไรแล้วมันจะติดพอไม่ได้ทําแล้วมันจะหนีย ช่วงนั้นถ้าเราใช้อาศัยการปฏิบัติสมาธิช่วยคลายความเป็นถ้ามีสมาธิแล้วมันจะไม่ค่อยมันจะเริกได้ง่ายกว่าถ้าไม่มีสมาธินี่มันยากแล้วสภาพแวดล้อมมันก็เป็นส่วนมีส่วนทําให้เราเปไ๋ไปออกไปไทำใมันกระตุ้นเนี่ยสภาพแวดล้อมมันจะเป็นตัวกระตุ้นให้เราไปทำใดท่านเลยถ้าเรามาอยู่ในวัดมันก็จะกระตุ้นให้เราไปนั่งสมาธิไปปฏิบัติตทํา ถ้าเราอยู่ในในบ้านในเมืองในไหนว่ากระตุ้นให้ไปเที่ยวที่นั่นเที่ยวที่นี่กันค่ะแบบหนูอยสองที่หนูอยู่เชียงใหม่กับอยู่ที่งนี้ใช่ไหมคะถ้าไปเชียงใหม่อ่ะใจมันก็อยู่กับเพื่อนมันก็ตะเลิดเปิดเปิลมันก็อมันก็มันมีอะไรมากระตุ้นเข้าไปถ้าอย่างนี้เราจะทํายังไงครับะเจ้าก็อย่าก็อย่าไปอยู่ที่ก็อย่าไปอยู่ที่มันกระตุ้นเ ถ้าอยู่พัทยาหนูก็เป็นคนดีดีถ้าไปบ้างก็เนี่ยดุดนู่นหุดนี่หลุดซ้ายหลุดขวาอย่างเงี้ยครับถ้าไม่จำเป็นขย่าไปถ้าธุระจาเป็นก็ไปแต่พยายามอย่าไปอย่าไปทัดทายหาเพื่อนไปแบบเงียบเงียบไม่ได้ก็รู้ว่าเราไปไปทํำธุระของเราเสร็จเรารีบกลับมันบ้างขยับใกล้หนูมันยากไม่ได้ครับอาจารย์อ่ามันยาก ค่ะปีหนึ่งผู้จารย์ว่าถ้าหนูกลับบ้านปีละสองครั้งผอาจารว่าเยอะไปไหมคะไปแบบ ไ, <ป S 1> ไม่เยอะเลยไม่เป็นไรนะนเพวยบๆครับพอ <c oughs> โอเคอยู่ยังไม่ถึงอ่ะยังไม่ได้ขั้นอยู่แบบขึ้นทางด่วนไม่เป็นไรถ้าขึ้นทางด่วนแล้วก็ไม่เอาใครเลยอะสว่ามต้องได้ขึ้นแน่แนเลย <c oughs> แต่ก็อยากขึ้นนะผอาจารยหนูอยู่ที่เน็ตหนูตักไฝเรื่องธรรมะแต่พอไปอยู่ที่นู่นอ่ะ ก็เรามานี่ยอยู่ันเขาทั้งสามคืนดูเลยตอนที่พ้าไปนเขาทั้งสามวันอย่างนเขาที่ไม่มีไฟอะไรคะอาจารย์มีไฟบ้านทัาป่าไม้ที่บ้านท่าป่าไม้อ๋อที่บ้านท่าป่าไม้ก็ก็ู่คนเดียวไม่ยุ่งไม่ยุ่อยู่คนเดียวไม่ยุ่งกับใครมันแจ็คกี้เขาเขาสวนอยู่ค่ะอาจารย์บอกว่าเขาก็บอกว่าถ้าวันไหนพี่ไปก็เรียกหนูแล้วกันเขาจะไปอยู่เป็นเพื่อน ค่ะพรอาจารย์จำคุณแจ็กกี้ได้ไหมคะได้ได้แจ็กกี้ครับค่ะน่นะะ่าปฏิบัติได้ค่ะเขาบอกว่าเขาชวนหนูตลอดแต่นหนูบอกว่าเราก่อนเราก่อนแต่คงใกล้แล้คะใกล้จะเข้าไปแอบไปกับพี่แจ็กกี้ล้วน้องจ็กกี้ล้วค่ะเด็ต้องพยายามทำให้ด้ของพวกนี้เป็นของดีถ้าเราไม่บังคับตัวเราเองเราก็จะไม่ได้ค่ะพระอ า, าจารย์จะให้ยาวค่ะวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วค่ะพระอาจารย์โอเคอ่มค่ะพยาย<ข>ามฝึกสติไว้ไม่เมื่อยกแล้วกันนะ อ่าสาธุการไปดิคุณเด็กจับคุณเด็กในคืนนี้จบไม่ได้จับนวสัส ก, การพระอาจารย์เจ้าค่ะอ่า ไ, ไม่มีอะไรไมีอะไรไหมคืนี้อ๋อมีคำถามจะถามพระอาจารย์เจ้าค่ะอ่อมาว่าอะไรอ่าที่พระอาจารย์บอกว่าถ้าอยากให้ปฏิบัติเก้าหน้าให้เพิ่มเวลาทีนี้โยมก็เลยเพิ่มเวลาจากนั่งสมาธิจาก สามสิบนาทีพยายามเป็นหนึ่งชั่วโมงเจ้าค่ะแต่ว่าไม่ใช่ว่ามันจะสงบตลอดนะเจ้าค่ะมันก็มีมีมีสงบจิตรวมเข้าไปแล้วแต่ว่ามันก็มันก็ออกมาพอมันออกมาเราคือมันยังไม่ครบเวลาหนึ่งชั่วโมงโยมก็เลยคิดว่าเออตอนนี้อุทิศบนให้กับพ่อเลยดีไหมอะไรเงี้ยค่ะคือคือคิดคิดว่าเอ้มันน่าจะแบบจิตระว่างอยู่ ก็เลยอุทิศบุญให้กับคุณพ่อผู้ย่าตายายอะไรไปอย่างเงี้ยเจ้าค่ะแล้วก็มีการนึกถึงบทสวดแล้วก็แผ่เมตตาอย่างเงี้ยเจ้าค่ะทีนี้จะถามพระอาจารย์ว่าอย่างเงี้ยมันถูกต้องไหมหรือว่าเราควรจะสมมุติว่ามันยังไม่ครบหนึ่งชั่วโมง พอเราอ่ารู้ตัวปั๊บเราก็พยายามเข้าไปพุทโธอีกทีหนึง่งจนให้มันครบหนึ่งชั่วโมงเสร็จแล้วค่อยแผ่เมตตาเจ้าค่ะอย่างไหนมันจะดีกว่ากันเจ้าใช้พุทโธน้าใช้พุทโธไปแผ่เมตตามันแป๊บเดียวต้องเพรามันต้องใช้พุทโธพุทโธเพื่อให้ใจมีอะไรทําจะได้ไม่ดิ้นรนที่อยากจะลุกไงไม่อยู่มาพุทโธพุทโธไปด้วยส่วดอินทรียไปก็ได้การแผ่เมตตานีนไา่ไวรอเวลาจะเราเริ่กรับคำบัติ ค่ S <S านาทีเดียวก็จบแล้วไปตามเนะเจ้าคะ่ะกลับขอบพระคุณเจ้าคะ่ะมีตานี้แหลมีอีกคำถามหนึ่งเจ้าคะ่ะ<ศ>เออยมไปทำฟันเจ้าคะ่ะแล้วก็คือมันคือบอกหมอว่าไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องฉีดยาชาเพราะว่าเป็นการอุดฟันนะเจ้าคะ่ะทีนี้ว่า โยมก็คิดว่าโยมจะเข้าสมาธิดีกว่าแล้วโยมก็เลยแบบเหมือนหอเหมือนใช้บทสวดแล้วเจ้าค่ะคือหมอก็บอกว่าถ้าเกิดไม่ไหวก็ให้ยกมือทีนี้โยมก็เลยพยายามคือมันก็พยายามคือถ้ า, ถ, าถ้าจิตมันหลุดจากบทสวดเมื่อไหร่อ่ะมันก็จะไปนึกถึงเรื่องที่ที่ฝันแล้วมันก็ต้องมีอาการโยมก็ไปนึกถึงบทสวดไปเรื่อยๆเจ้าค่ะแล้วทีนี้ว่ามันก็ค่อนข้างลึกเหมือนกันเพราะเป็นฝันกลางแต่ทีนี้ว่าผ่านผ่านไม่ได้หมอก็เลยบอกว่า ปกติคนไข้อะจะต้องเสียวแล้วทนไม่ไหวทีนี้ทนไหวแสดงว่าอาจจะเป็นเส้นเส้นประสาทจะเสีย <laughs> เส้นประสาทอาจจะแบบว่ า, อาจ จ, บบวาอาจจะแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะจ๊ะค่ะ ไ, ได้ไมันไดมันได้ใช่ใช่ใช่หมอก็เลยทําการเทสบอกว่าถ้าเกิดเนี่ยต้องกลับมาดูอาการว่ามันอาจจะเป็นถ้าเส้นประสาทเหมือนกับว่ามันมันไม่ทํางานอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะต้องใช้ลากเทียมแล้วโหยิ่งเข้าไปใหญ่เลยพระจ่าไม่หลับถ้าเรารู้สึกเราก็มันก็นม่ได้เป็นด้าน เพื่อใหเรารมีสติทำให้เรา ร, รับกับรับกับอาการเจ็บของมันได้โดยที่ไม่ต้องใช้ยาชาเก็บอกว่าจริงๆอ่ะมันไม่ใช่ว่าไม่ไม่เสียวหรอกมันเสียวแต่ว่าอด<ช>ทนได้เท่านั้นอเองใช่เขบอกเข้าไปอย่างนันเจ้าค่ะแต่ว่าก็ดูอาการก่อนว่ายังไงเจ้าค่ะแต่ว่าจะถามพระอาจารย์ว่าถ้าเวลาอย่างนั้นน่ะเราควรพิจารณาเรื่องสมมติว่าในเครื่องกรรมฐานอ่ะจะพิจารณาแบบเหมือนกับแบบเรื่อง เรื่องฟันแล้วก็เรื่องความเจ็บความตายไปเลยดีแต่วหรือว่ามันไม่ไม่ไหวตอนนั้นมันหรือว่าอ่ะดึงจิตเข้าสมาธิหนีไปเลยตัวค่ะตเรนั้นแต่กําลังของเราว่าเราทําอะไรได้ตอนนั้นถ้าอยากทำทางปัญญาไม่ได้ก็ทําทางสมาธิไปก่อนอถ้าปัญญายังหนัว่าปัญญายังยังยั้าอยางาไม่ได้ถายางใจออกจากร่างกายไม่ได้ก็อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งใช้ปัญญา หลบไปก่อนหลบเข้าสมาธิไปก่อนนะเจ้าคะกับใ้เฉยไปก่อนอาจจะไม่ต้องหลบก็ได้รับรู้มันแต่ใจเราดิ้งไม่ไม่ไปถึงประมนารนั้นมันเจ็บเจ้ค่ะใจเราเนีรับรู้มันเจ็บอยู่แต่ใจเรา้ามีสมาธิใจเราเฉยได้ใช่ได้ เพราะว่าเคยพยายามอยู่คิดว่าอ่าร่างกายไม่ใช่ของเรามันมันมันไม่ได้กําลังเราไม่พอมันเจ็บหรืว่าถ้ามันดึงไปสมาธิก่อนที่ใจเนี้ยมันจะมันจะไม่เจ็บจเค่ะมันจะเจ็บก็เจ็บอ่ะแต่ว่าน้อยลงเยอะใช่ท่านทีใช้สมาธิไปก่อนเจ้าค่ะขอบคุณเจ้าค่ะโอเคนะครับถือในที่คุณหมอสุรสัสเสดมันทำตามนีง นามสการท่านผอาจารย์เจ้าค่ะไม่มีคำถามค่ะสบายดีนะสบายดีเจ้ า, า, okay. าค่ะโอเคใครนี่เป็นจอยพทัทยากับกับไหมคะง่ายๆคู่กรรมอะไร <c oughs> คู่เวรคู่กรรมยั ง, งจองเวรจอกรรมันอยู่อ่ะอยู่ค่ะแต่ว่าหนูพยายามแบบนิ่งแล้ว <c oughs> ก็เงียบสู้ เพราะว่าเถียงกันหนูก็คิดเหมือนที่พระอาจารย์ว่าหนูไม่อยากเป็นอย่างเขาอ่ะไม่อยากเป็นคนบุยวายแบบไม่อยากเป็นคนเสียงดังไม่อยากเป็นคนด่าเก่งอย่างเขาอ่ะก็พยายามแต่ก็เ้าปล่อยเขาไปอาจารย์ดีช่วยกันให้ของเขาไปแต่เขาก็เขาก็มีส่วนดีแต่ว่ามันก็แต่เอ็นนิสัยเก่าล้าเขาเหมืองแกไม่ค่อยหาดีก็ดีไปชั่วยกันช่วยกันให้รู้ว่าเราไม่ต้องการไปช่าน้องช่วยชวไปค่ะวันพระ วันนี้ว่นอาทิตย์หน้าวันพระใหญ่เลยใช่ไหมคะวันวิสาขะคนเยอะแน่เลยนะคะอยู่สองวันด้วยก็ไม่รู้ละอนาคตยังไม่มีอะไรแน่นอนเดี๋ยวหนูไปใส่บาตรกันเดีวค่ะโอเคทุก่านค่ซุมชายเพนเซเมเนียอีริเพนเซเมเนียอ่าวกับท่านพระอาจารย์ครับกับกับับ ทันงทั้งสองคืนนะภาษาอังกฤษครับภาษาไทยครับเมื่อเมื่อคืนนี้อ่าเมื่อวานนี้อ่าอ่าเมื่อผมผมอ่าวันเดีอวว่าอ่าผมคิดว่าผมอ่าที่ธ่านาจารย์บอกว่าดอกไม้มีสามหรือสี่น่าจำไม่ได้ผมอยู่ตอกตอเกลื่ะดอกกลืผมว่าเอ๊ ให้เราอยู่เราหยุดเราหยุดถึงอันเดนี้หรือว่าอยู่รงแคตจะมกินเราหรือเปล่าผมจะคิดอยู่เลยดิแต่ผมก็พยายามครับตอนนี้ถ้าสนใจเรื่องบุญบาปเรือปฏิบัติธรรมเราไม่ได้อยู่ที่ระดับสี่เราอยู่ระดับสามนะโอ้ก็ gonna be gonna be ร i k e a little b อีกสองสามวันจะโดนแซ่ S <S สามวันก็จะโปร่ขึ้นมาเหนือน้ำได้โอเคครับโอ้ยกาลังใจขึ้นมาหน่อยแต่แต่ถ้าชอบกินเหล้าเล่นไพ่ชอบเที่ยวไม่เข้าหาวัดขาอะไรเยพวกนี้เป็นพวกที่อยู่โคตตกพวกที่ระดับสี่ oh. ไม่มีวันที่จะจ ะ, จะเกิบตัวได้เนอะเราอ่าก่อที่ไปก็ไปหาเพื่อนอาจารย์รุ่นอาจารย์ก็แค่วันเราก็จะกินเออวันนี้ผิดอาจารย์บอกมาแล้ว <S 2> <S 2> <S ผมก็ขอโทษด้วยรัครับคอั้งเดียวครับแล้วก็ก็ก็ไม่เท่าไหร่ครับก็ไม่มีอะไรมากครับทนาจาะอ่าก็อยู่มาได้แล้วใช้สมาธิอ่าอ่า meditation ก็ทำให้เรื่ออ่าชีวิตดีดีขึ้นครับอ่เพราะ <Yes. S 1> ร, รู้รู้ท่านพระอาจารย์ <Yes. S 1> <laughs> เหมือนกับ <Yes. S 1> เป็นลูกนะ oh. เห็นการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่เริ่มต้นาเข้ามาห้องนี้แล้วสึกมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นเยอะเลยอ่ามีไหมชีวิตเราเปลี่ยนแปลงไปเยอะไหมตั้งแต่เข้ามาศึกษาเนีฮะครับก็ไม่โกรธมากแล้วก็ปล่อยคนที่พูดไม่ค่อยดีอ่ชาช้แบบช้ยแบบแปลงวิจาใช้อะไรเนี่ยผมก็ไม่ค่อยสนเท่าไหร่ในเดียว ท่าน <Yeah. S 1> บอกครับ <Okay. S 1> ก็เค ท, okay. yeah, ทัโอเคยําทต่อไปนะทาไป้มากครับ <c oughs> ก็ขอบคุณคุณบอยที่แนะนำให้เมดิเทตต้องต้องอต้องนั่งสมาธิ uh huh. ถึงจะถึงจะดีขึ้นครับผมก็ผมจำได้ครับเมื่อสองปีเมื่อปีก่ก่อนนะครับ <Okay. S 1> ขอบคุณท่านพระอาจารย์ครับ <Yeah. S 1> วเวลา <Yeah. S 1> มากนะครับ ไปที่คุณทวิษที่สวิตเซอร์แลนด์อยู่แถวไนของสวิตเซอร์แลนด์เหนือใต้ตะวันออกตอนตกอออกมาทางใต้คะ่ะพระอาจารย์ใต้มาทาบนทางทางเบิร์นนะออกลงมาจากทางเบิร์นออกจะมามาทางอิตาลี่คะ่ะพระอาจารย์อุกกาโน่<ะ>แต่เป็นโซนอีกทางหนึงของอิตาลีโซน ท, ที่ที่ไม่ใช่ไปทางข้างบนคะ่ะโซนคือทรง ด้านล่างนะคะพระอาจารย์ใกล้กับอิตาลีมันอยู่พอนแดงค่ะเกือบเกือบถึงพอนแดงค่ะพระอาจารย์ก็นั่งรถ mm hmm. ไฟอีกสักประมาณสามสิบนาทีก็จะถึงเมืองชายแดงของอิตาลีค่ะพระอาจารย์เมืองโลการโนอยูใกล้ๆทางนั้นหรอเมืองโลการโนก็ก็อยู่ไม่ไกลค่ะพระอาจารย์ก็ใใขับจากจากจากเมืองที่โยมอยู่ก็ประมาณชั่วโมงนิดๆค่ะพระอาจารย์ไม่ไกล ค่ะไม่ไกลค่ะพระอาจารย์คือเขาคือมันจะมีเขากั้นกั้นกั้นเงินที่โยมอยู่อะค่ะพระอาจารย์ก็จะเขาลูกนั้นชื่อซิมบอร์นค่ะพระอาจารย์คือหลังจากเขานี้ยก็เป็นชายแดนอิตาลีเลยค่ะพระอาจารย์แต่มันขึ้นเขาก็เลยใช้เวลาขับรถแบบนานหน่อยอะค่ะพระอาจารย์แล้วเมืองที่อยู่ชื่ออะไรชื่อเมืองบริทค่ะพระอาจารย์บริทอะบริทนะคะค่ะโอเคถามไว้แล้วก็เล่นละได้เวลา ค่ะค่ะพระอาจารย์ค่ะวันนี้โยมมีคำถามนิดนึงค่ะพระอาจารย์คือเรื่องการปฏิบัติของการใช้สติค่ะพระอาจารย์คือโยมสังเกตว่าขณะที่เวลา ย, ยมทำงานเวลาโ ย, ยมเริ่มทำงานงานของโยมก็คืองานนวดใช่ไหมคะพระอาจารย์แล้วยมรู้สึกว่าโยมจะใช้การเคลื่อนไหวในการเหมือนกับการการนวดมันอยู่ในภาวะที่สงบแล้วก็ ดูการเคลื่อนไหวของของร่างกายไประยะเวลานั้นยมรู้สึกยมสงบนิ่งแต่พอหลังจากออกจากทํางานหลังจากช่วงเวลาเลิกทํางานแล้วยมรู้สึกว่ายมแบบว่าให้ให้สงบนิ่งเจริญสติต่ออัตโนมัติเหมือนตอนที่ขนาดทางานนั้นมันมันยังทําไม่ได้ค่ะต้อังฝึต<พ>้องไปยังทําต่อเลยกานที่เราจะดูมือที่เราทําแล้วก็ดูการเคลื่อนไหวของร่างกาย เราวางไะ้รือเราทำอะไรเขาเข้ามายืนมันต่อมนกับตอนที่เราทํางานเนี่ยมันมันต้องใช้การบังคับไปครับแต่ทีนี้โยนว่าตอนที่ขณะที่โยนแบบเริ่มทํางานคือโยมไม่ได้บังคับมันเป็นอัตโนมัตินะคะอาจารย์แต่ตอนหลังตอนนั้นมันต้องทําอยู่นะมันทำไมมัต้องบังคับเพราะ้องทํางานนี้อยู่แล้วเราก็เลยไม่ต้องบังคับแต่อย่างอื่นนี่เราไม่ได้บังคับมันเพรามันจะทําอะไรก็ได้ฟรีสไตล์ เราก็หลังไม่ไปอคอยไปคุมมันที่เราต้องคอคุมมันเหมือนกับตานที่เรานวยตอนที่เรากำลังทำงานก็คือหลังจากนั้นเราก็ต้องต้องบังคับมันใช่ไหมอาจาราไม่ใจ่ายดูต่อเลยเช่นพอพอเลอกจากนวดไปล้างมือก็ต้องเข้าดูต่อล้างมือเดินออกจากห้องเปิดประตูนี่ทำอะไรที่ต้องทําต่ออะไมก็ต้องบังคับให้มันหยุดนะตรงนั้นก็ พยอมยมสังเกตอยู่กับการเคลื่อนไหวของร่างกายทุอกอย่างเลยค่ะค่ะอาจารย์ยมก็เลยสังเกตมาเอ๊ะสั<า>งเกตการทํางานเวลายมค่ะมันมันสงบมันนิ่งแล้วยมรู้สึกชอบยมก็เลยว่ามาเรทําต่อมาเริ่มทำงานต้องทำต่อบังคับไปบังคับเลยอืมค่ะค่ะอาจารย์ยมก็เลยจะขอแบบคุชโลบายหรือวิธีที่จะง่ายในการทําต่อค่ะอาจารย์ ก็เฝาดูเฝ้าเ้ดูต่อไปแบบเฝาดูการขึ้นของร่างกายต่อไปอยาให้มันไปชึ้นข้างบนคับพระอาจารย์หรือถ้าใช้พุทโธช่วยก็ได้ใช้กรรมวิกรรมพุทโธพุทโธช่วยก็ได้ค่ะพระอาจารย์ค่ะขอบพระคุณมากค่ะพอาจารย์ที่นิยมก็เลยมีต่อนิดนึงว่าเออ่คือโยงก็เลยรู้สึกว่าการทํางานของโยงเนี่ยมันเหมือนการได้เจริญสติไปในตัว โยมก็เลยว่าเออการที่โยงทํางานช่วงทํางานทํางานไปเรื่อยๆเนี่ยโยมก็เหมือนกับเหมือนอ่ะเหมือนได้เจริญสติได้ได้ได้มันเหมือนได้ความสงบด้วยค่ะพระอาจารย์แล้วยมก็เออการทํางานของโยมมันมีผลพลอยได้ก็คือเออเราได้รายได้ด้วยอันอันนี้แต่แต่มันไม่ใช่มันไม่ใช่มันไม่ใช่หลักใช่มันไม่ใช่หลักค่ะพระอาจารย์มันเป็นมันบวกคือมันได้ส่วนพิเศษขึ้นมาโยมก็เลยว่า อแต่แต่เวลาเวลาบางครั้งโยมรู้สึกว่าการที่โยมทํางานเยอะๆโยมได้ฝึกสติเยอะๆบางครั้งโยมก็ทํางานเยอะพอเสร็จแล้วพอออกจากพอหมดวันกลับมารู้สึกโยมเหนื่อยโยมจะนั่งสมาธิโยมก็เฮ้ยเหนื่อยกลายเป็นขี้เกียจกลายเป็นขอนอนกับอาจารย์โยมก็เลยว่าเราเตามใจมันตามใจกิเลสนะครับโยมตอนนั้นโยมตามใจใช่ไหมครับอาจารย์โยมต้อง ต้องหักดิบต้องบังคับมือนต้องทำํำยังไงก็ต้องทําเหนื่อยก็ต้องทําตามอาต้ย์การนั่งสมาธิมันก็เป็นการพักความไปในตัวด้วยใช่ค่ะพระอาจารย์โยมโยมโยมเคยเคยมีช่วงหนึ่งโยมแบบว่ารู้สึกจะเหมือนมีมานะความเพียรเยอะโยมก็นอนน้อยแต่โยมนั่งสมาธิเยอะแต่โยมเร่รู้สึกไม่รู้สึกเพียค่ะพระอาจารย์ มีแต่พอหลังๆนี้กิเลสมันเยอะรวมรู้สึกเพียโยมก็เลยไม่ค่อยได้ทําแบบใจมากๆอะค่ะพระอาจารย์แต่โยมจะเข้าใจแล้วค่ะว่าโอเคเราจะต้องหลังจากทํางานเสร็จแล้วเข้ามาคับใจทําต่อเพราเริ่มจาก ง, งานแล้วทำต่อค่ะพระอาจารย์โอเคค่ะพระอาจารย์โยมได้ได้หลักว่าต้องช่วงแรกก็ต้องบุงคับมันก่อน พอดีเวลาทํางานมันมันมันมัน ม, นมนองค้ามเราไปในตัวเลงว่าเวลาเราทำงานแลาวมันทำให้มันดีนะใช่แล้วอาจารย์ทำให้เร า, ามีสเตติย์อืมแต่พอเราไม่ได้ทํางานแล้วเราก็ทําอะไรสเปสป่าไปกไ็ไม่ไม่ค่อยมาค<า>่ะค่ะ<า>ก็ไม่ได้คิดไม่ได้นึกก็<ๆ>ปล่อยนิ่งปล่อยอะไรเงี้ยปล่อยให้ใจตั้งกายทําอย่างหนึ่งใจคิดไปเองไม่เลอะเลงไม่คนละเรื่องเลยใช่ค่ะอาจารย์โยมก็เลยว่าเอ๊ะต้องกลับมาให้มัน อยู่ที่เดียวกันใจกับร่งกายเราอยู่ที่เดียวกันค่ะยมก็เลยว่าเอ้ยม อ, อยากได้เออ่ทริคแบบว่าให้มันเหมือนตอนที่ยมขณะทํางานนะคะปอาจานยมก็เลยว่ายมต้งคิดว่าเราต้องคิดว่าเราทํางานต่อคิดเราทำงานต่องานเป็นเปล น, นงานไปเป็นงานจากการนวดมันเป็นงานเป็นการนั่งมือหรือทำอะไรมันก็เป็นงานอย่างนี้่ไมใช่เปลี่ยนมา ให้มันโอเคต่อไอ้นี้ทำตอนเริอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเริ่มอย่าเพิ่งเริ่มอย่าเพิ่งปล่อยสติปลครับความสติให้อยู่กับการเคลื่อนไหวของร่างกายต่อไปครับแล้วเวลาเราต้องแบบติดต่อสื่อสารหรือว่าทําอะไรกับคนอื่นก็มีมก็มีสติก็มีสติของ ก, การทําการสื่อสารเวลาเมื่เมื่อต้องคุยก็มีสติของ ก, การคุยอย่าปล่อยให้ใจไปคิดเรื่องอื่น โอเคถึง okay. ถึงคุยเราก็ต้องคุยให้มีสติว่าเรารู้ว่าเราอะไรอ่าสพุดแล้วก็า้องมีสติฟังเวลาเราพูดก็ต้องมีสติพูดไม่ใช่พูดไปแล้วก็คิดถึงคนนั้นคนนี้ไปพูดถูกพูดผิดเวลาฟังก็หวังทีฟังไม่เข้าใจถ้าเราไปคิดเรื่องเลย อ, อืม่ะโอเคโอเคค่ะพระอาจารย์ยงเข้าใจแล้วค่ ะ, อะโอเคน ะ, คะ ค่ะขอบพระคุณพระอาจารย์ค่ะรับอาจารย์พกแข็งแรงนะค่ะสาธุคมอนาทวุอยางก่อนทวรับนสกาดพระอาจารย์ครับเดี๋ยวไม่มีคาถามครับมาฟังครับเดี๋ยววันศุกร์นี้ผมเข้าไปปฏิบัติครับอยู่หลายวันเลยนะใช่ครับใช่ครับสวันนะใช่ครับเดี๋ยววันศุกร์เดี๋ยวเคลียร์งานนิดนึงมีมีตรวจรับแล้วก็มีรับบริ จะอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์แล้วก็เราก็ไปครับเย็นๆแล้วก็รัอนัดหนึ่งกันปขึ้นตองดูบ้างนะขึ้นตายด่วนใชคบนอกแล้วเราฟุ้งซ่านช่ไหมั้งงานมันไดทำให้เราแล้วก็หลายๆอย่างต้องไปอยู่ตรงนั้นต้องไปนี่มาเจอกันนะครับครับโอเคมาวางเมื่อไหร่ติดโควิดมากแล้ววาเมื่อไหร่ ติดโควิดเจ้าค่ะก็ก็ตอนแรกว่าจะไปเที่ยวแต่ค่ะที่จะไปรับลูกแล้วก็ต้องเปลี่ยนแผนนอนอยู่บ้านรักษาร่างกายแต่ว่าก็ช่องวีค่ะเพราะว่ามันเป็นกันบ้านที่ที่หมูให้รับอืหนูหนูก็ป่วยป่วยแล้วก็แล้วก็เห็นเห็นภาพรู้ว่ะค่ะมอนเรารู้ว่าเราป่วยอะไรบ้างไหมค่ะแล้วก็เราก็แค่รู้ไปว่าเราป่วย ร่างกายเป็นคนไข้เราเป็นหมอเราคนดูแลร่างกายค่ะลูกสาวกลับมาแล้วนะคะปิดเทอมแล้วไม่ว่าค่ะปุพุนะคะการันจะขึ้นปีสอโอเคอ๋อก็อันอันนี้ก็เป็นเรื่องของของความไม่ได้คาดหวังกันเพราะตอนแรกกะว่าจะไปรับเขาที่มหาลัยแล้วไปช่วยแพทยของปรากฏว่าพอพ อ, พอเราเริ่มรู้แล้วว่าเราป่วยแล้วเราหายไม่ทันนะคะก็ก็ ใช้ปัญญาคิดเลยค่ะค่าต้องทํำยังไงบ้างก็คือให้เขาให้เขาบินมาเองแพ็คของจัดการทุหลักของตัวเองค่ะให้เขาทาช่วยตัวเองมากนะตาเดีอะตั้งหน้าตั้งตาหนูว่าทําได้ตอนแรก<อ>คุณแม่เขาดื้อเขาอยากการท<อ>ุลังแต่หนูบอกให้เขาไม่มาให้เขาจะดูพิจารณาว่าตัวเองแค่ไหนเขาตอนแรบอกว่าจะไปป่าอะะแล้วก็ไปนั่งสมาธิปรากฏว่าไม่น่าจะรอดค่ะแต่ว่าอันเนี้ยหนู คือหนูนอนป่วยสิบกว่าวันนะคะก็ใช้วิธีนอนพอนาวอค่ะแต่ว่าสักแป๊บหนึ่งมันก็ก็หลับไปพอตื่นขึ้นมาเราก็ต้องหนูก็ใช้ปัญญาก็ดูเรื่องของศัตรทธรรมอริยศัจสีไตรลักษ์เนี่ยค่ะปรากฏว่ามันก็เลยเห็นตัวรูขึ้นมาแล้วก็นั่งนั่งเฉยๆฝนตกก็ดูฝนตกมันก็เห็นว่าเออฝนตกมาก็ททบเสร็จุแล้วมันก็ตกลงไปค่ะ มันก็เลยทำให้ช่วงที่เราฟุ้งร่านตันที่ก่อนก่อนป่วยอะมันเริ่มเข้าใจเข้าใจชีวิตมากขึ้นกับไปทำงานรอบนี้ก็มันก็เลยมันก็เลยสงบสงบลงเยอะเลยจ้ะปะเจอข้อสอบมาเจอข้อสอบยัไงข้สอบอดีใจด<ห>ีใจค่ะแต่ว่าก็รู้ว่ามันไม่น่าจะตายแต่ว่ามันก็เป็นข้อสอบเรื่องของการิชนะร่างกาย ครับเขาว่าคนจะผัโอเคเอาท่านดีก่อนนะค อ, อ่าคุณดัเพศสัคงคลนครใช่ไหหายหน้าไปตายหน้ท้งสองอาทิตย์ครับาาอาจารย์ตามน้องสการอาจารย์ครับได้ได้ยินไหมอาจารย์ได้ยินได้ยินครับมีมีคำถามกับอาจารย์นิดนึงครับวันนี้ ให้ตัวที่ครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าการฝึกภาวนาให้เอาจิตดวงเดียวนี่มันหมายพราะว่าอย่างไรครับอาจารย์ให้จิตมันรวมเป็นเดิมนเนี่ยใค้ับอกก็ถ้าถ้าความเข้าใจของผมก็คือว่าก็คือก็ต้องละวางภาระต่างๆของจิตลงจนให้เหลือแต่จิตดวงเดียวอันนี้ผมเข้าใจถูกต้องไหมครับมันนี่หลายความหมายเลยคือให้ให้จิตเป็นตัวสำคัญที่สุดที่เราจะต้องดูนะทุกสิ่งเที่อ่อยววางให้ใหมดทิ้งมันให้หมด รักษาจิตตัวเดียวยนี้ก็ได้ครับสําคัญที่สุดพราะทุสิง่งทุกอย่างในะที่สุดมัก็ต้องมันก็ต้องหมดไปซึ้งไปมีจิตอันนั้นที่ไม่มีวันเส้นไม่มีวันเอาจิตตัวเดียวไปรักษาจิตอย่างเดียวพอรักษาจิตให้สงบแว้ทุกกับรเรื่องราวต่างๆแต่วันนี้ฟังพระอาจารย์แนะนําคนหนึ่งที่แนะนําให้ว่าเอา่ออย่าไปสนใจเรื่องอื่นให้อยู่กับคำบริกรรมพุทโธตรงนั้น มันเป็นการเข้าไปการฝึกใช้จิตอยู่กับอยู่กับเรื่องของจิตอย่างเดียวการบริกรรมก็เป็นการฝึกสติฝึกสมาธิครับตัวนี้แสดงว่าจิตนั้นคลายคลายอารมณ์จากข้างนอกแล้วก็ย้ายมาอยู่ตรงคําบริกรรมพุโทโธตรงนี้เออ่น่าจะทําให้จิตรวมถ้าเขาทําได้เขาจะเริ่มจิตจะเริ่มรวมลงมอันนี้ถ้าผมเข้าใจนะออถ้าเขาวางอารมณ์ตรงอื่นแล้วมาอยู่ตรงคําบริกรรมพุโทโธนั่นแหละ โดยที่จิตไม่ใส่แยแยไปเรื่องอื่นจิตจะเริ่มรวมลงผมมันจะบายว่าทุกอย่างมันจะบายวาทุกอย่างนะมันจะรวมเป็นเดับถ้ารู้จักย้ายตรงนั้นมันจะจิตจะเริ่มรวมลงผมก็ทำใจทำชาไปติดรูปเสียงอินทร์ชาไปติดคนนั้นคนนี้นั่งทิ้งเวลามาลอยู่ที่ลงไม่ได้นอยู่ที่พืทองไม่ได้ฟังอาจารย์พูดตรงนี้แล้วมันมันมีความสําคัญมาก เพราะว่าถ้าถ้ารู้จักวางจับจุดที่จิตอยู่ข้างนอกนะ่ะมาอยู่กับคําบริกรรมพุทโธนั่นแนหะจิตจิต จ, จ, จ, จะเริ่มรวมลงใช่ครับก็กับก็บประมาณนี้แต่ว่าผมกําลังของจิตตรงนั้นมันยังไม่ทันพอแต่เดินทางมามาถึงตรงจุดนี้แหละออทําไมม า, มมาจานย์พูดเมื่อกี้นี้หมเลยมาขึ้นมาขึ้น <สา S 2> ครับมันกําลังจะดึงมาบางทีมันก็ลงมาแล้วมันก็คุ้มซางต่อไปอีกอืม แต่ ม, มเข้าใจในสิ่งที่อาจารย์พูดนะเนี่ยคือยังทำไม่ได้ครับกำลังมันยังไม่ทันพอครับเลยต้ อ, องฝึกสติน้อยไปครับสอบิ น, น, นตาปินตาขึ้นมาก็ต้องพูดโทรก็โทรเลยอ่าต้องแตะลืมตาขึ้นมาเลยอย่าป่อให้เสียเวลามีค่าไปโดยไม่ได้พูดโทรที่นี่น ค, ครับรบขอบคุณอาจารย์ครับเออ อันนี้ร้อนในยังรักงอนนี้ร้อในยังักสงอนนี้รา้อนไร้อนนะคะกับมาสักการ์กอาจารย์วันนี้ร้อนมากค่ะยี่สิบสี่ยี่สิบห้าองศาค่ะร้อนมากที่นี่สามสิบสี่ที่นี่สามสิบสี่สามสิบสี่อาจารย์เป็นยังไงมังคะอาการดีขึ้นไหมคะหายแล้วหายแล้วหายเป็นปกติแล้ โยมก็ถือศีลมาเลื่อยเลยแต่มาช่วงสามสี่วันนี้มันสะดุดมันเป็นอะไรไม่รู้ปัญหาไม่มีแต่ว่ามีอาการว่านอนแล้วแบบว่าเรารู้สึกว่าจะตื่นไม่ได้คือเหมือนจะตื่นจะตื่นแล้วแบบมันก็เผลอหลับไปอีกหรือร่างกายเราจะอ่อนเพลียหรือว่าเราจะมีอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ก็เป็นได้มันข้างบางคำมันก็ ม, มีมันก็ไม่อยากตื่นก็มีมันก็เป็นอารมณ์มากมันเป็นสภาพของร่างกายมากแต่ก็อยากปล่อยให้มันขี้เกียจนานเกินไปใช่แต่โยม ก, ก็ตื่นขึ้นมาโยมก็ทบทบทวนคือเราต้องเออดโตสมาธิเลยสวดมนถวายข้าวพระ<อ>แล้วก็เจริญจิตภาวนาะถ้าไม่ได้1ึงชั่วโมงเราก็เอาให้ได้สักมากกว่ายี่สิบนาที แล้วตอนเย็นก็ต้องทําแบบมาให้เราคือมีสมุดจดไว้จดเลยให้เตือนสติตัวเองไม่งั้นเดี๋ยวขี้เกียจต้องหัวตัวเองหน่อยเคยทำเลยก็พยายามทําต่อไปอย่าปล่อยอย่าปอย่าลดยอย่าถอยใช่ค่ะเพราะว่าก็เม่เช้ายมก็นั่งสมาธิยมก็ตั้งจิตภาวนาหาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าช่วยโยมด้วยข อ, อให้โยมอยู่ในศีลในธรรมอย่าได้ไปสะดุดพลังงานลบหรืออะไรเลย อฮะเจ้าบอตาเหีอยตาโงนาโถตอนเป็นที่็นถุกตนแต่ทีนี้โยมก็ถือศีลแต่ว่าบางทีเราก็ต้องออกไปทำธุระนะคะอย่างที่โยมได้เรียนพระอาจารย์แล้วว่าการแต่งตัวเดินออกไปข้างนอกมันไม่ใช่ว่าเราจะทำให้ตัวเราสวยงามแต่ว่ามันมีความจำเป็นเรายังอยู่ในโลกของมนุษย์อยู่ มันทําไปเขาทำไปใชป่ค่ะแต่ถามว่าโยมถือศีลถือศีลแปดไหมถือค่ะแล้วโยมก็มีความสุขเพราะว่าไม่ไม่หิวอะ่ะมันไม่หิวผอาจารย์ถึงตอนเย็นแล้วโยมก็ไม่ได้แบบหยิบนูน่นหยิบนี่เหมือนเมื่อก่อนแล้วยมทํามาตั้งเดือนกว่าแล้วแล้วยอมมันเหมือนกันเคยชินแล้วนะคะเอ<ร>ื่องกินได้ประนเรื่องกินข้าวยันแรกในตลาดไปกันเอมันไม่หิวนะฮะมั น, นไม่หิวอ่ะมันก็แปลกใจตัวเองเหมือนกันว่าเราก็เคย เป็นคนที่ชอบกินอย่างงุ้นอย่างนี้ของจุกจิกอ่ะแต่ทําไมมันเลิกได้ก็เราฉันมาฉันไม่เดียวมาตั้งแต่บวดน่าก้อนปวดแล้วก็ฉันไม่เดียวมาตั้งแต่ที่เกือบห้าสิบปีแล้วแล้วก็ไม่หิวนะฮะหิวก็หิวบ้างก็หิวมากไม่หิวบ้างก็ไม่ให้มันกินอ่ากราบขอบพระคุณมาอาจารย์ค่ะถวายบุญกุศลที่ทามันหิวก็อย่าไปให้มันกินนะค่ะ โยมก็ไม่มีอะไรไม่มีปัญหาอะไรเอ่อโยมก็จะมาถวายบุญกับพระอาจารย์ว่าเอ่อมากับขอบคุณพระอาจารย์ที่สั่งสอนโยมแล้วก็ถวายทุกบุญที่โยมทำให้กับพระอาจารย์ค่ะถวายไม่ได้หรอกบุญใครบุญมันณฑนถวายได้ก็ดีเลยเราไม่ต้องทำอะไรให้ญาติรวมาถวายบุญหนึ่งเดียว <c oughs> ขอให้พระอาจารย์มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะ หายคุณปุ้ยมีอายุมากขวัญยืนมากมีสีสุขคิดเงินเป็นเงินคิดทเป็ น, น, นทองคิด เ, เลนเป็นเลขนนะ่ะจาทูค่ะพระาจาโอเคไปได้คุณส<า>ัมโอดาคุณส้โมโอขอบคุณค่ะเชิญคุณสัโมโออยู่ที่ไหนอ่านชื่อคลิปกรบหอไดด้วยกรามนาสการครับพอดีอ่อ ใช้ใช้ซูมของอคุณหมอครับแต่แต่ก็ปกติก็ฟังด้วยกันนะครับแล้วก็ติดตามครูบาอาจารย์เอพระอาจารย์มาเก้าปีแล้วครับก็ก็ผมปฏิบัติที่ขอนแก่นมาก่อนนะครับกับหลวงตาสิริครับครับก็เลยทีนี้แต่ว่าเวลาเกิดเอการแก้จิตนะครับก็คือปฏิบัติสมาธิมา เก้าปีแล้วก็ได้ฟังพระอาจารย์มาตลอดครับแล้วก็มันเหมือนจะแก้จิตกันตลอดนะครับเวลาผมติดอะไรในสภาวะช่วงระหว่างวันเนี่ยครับพอเช้ามาจะมาดูบทความแล้วก็เทศของพระอาจารย์ก็จะตรงใจตลอดเลยครับแล้วก็ช่วยแก้จิตมาตลอด mm hmm. เคยเคยไปกราบตอนนั้นที่เป็นศาลาไม้ครับที่ตรงเขาเชียร์โอ น, นอใช่ครับใช่ครับตอนนั้นผมติด เอความกลัวตายครับก็เคยเข้าไปกราบให้อพระอาจารย์ช่วยแก้แก้จิตเรื่องนี้เหมือนกันก็ก็ได้พัฒนามาจนจนดีขึ้นแล้วก็เห็ น, เ ห, นเห็นกายเห็นจิตแล้วครับครับอันนี้อยู่ที่คอแนแกนแล้วอยู่ที่ไหนอตอนนี้เอพอดีคุณหมอส้มโอเขาอยู่โรงพยาบาลทับทันจังหวัดอุทัยครับก็ได้ย้ายามาอยู่ที่นี่แล้วครับแล้วก็ติดตามทุกวันครับ ทคทำตามอะไรไหมก็เออก็ปฏิบัติเอาครับเพราะว่าอยู่กับครูบาอาจารย์ก็ท่านก็เทศไว้แลเหลือแค่ปฏิบัติอย่างเดียวครับได้ดีครับปฏิบัติให้มากนะครับผมครับอขอบพระคุณครับท่านอาจารคุณเีตาบุณีศิราชาลูาสกสาวะมสการ์อาจารย์เจ้า้าอดีอยู่ข้างนอกนะเจ้ารัา ก็ไม่ค่ะพอดีเข้ามากรุงเทพมาม า, าทุระ ค, ค่ะแล้วก็อยากจะออนวิดีโอแล้วก็มากราบพันธ์จแล้วป่ะอออสองอาทิตย์เศษเศษที่ผ่านมามันยุ่งมากค่ะทั้งเรื่องงานแล้วก็ล่าสุดเพิ่ง เ, เรียบร้อยนะคะทีงานศพของคุณพ่อสามีอะคะ่ะก็ได้มีโอกาส เ, เราเรียกว่าอะไร ได้มีโอกาสพิจรารณาสิ่งที่ อ, า, อาจารย์สอนมาตลอดนะคะเรื่องแก่เจ็บตายตายแล้วพิจารณาตา ย, ตา ย, ตายใช่จะค่ะลูกก็มองเลยค่ะว่าเพราะว่าบางทีเราย้อนกลับไปเมื่อสามสิบกว่าปีที่รู้จักท่านแข็งแรงมากชอบทำต้นไม้นะคะท่านไม่เคยหยุดนิ่งแต่ก็แก่ลงแล้วก็เจ็บปวดร่างกายฟอกไปมาหกเจ็ดปีจน ร่างกายมันรับสภาพไม่ไหวนะคะก็ก็ถึงเวลาของท่านก็ได้มีโอกาสพิจารณาอย่างนี้ค่ะย้อนไปย้อนมาก็รู้สึกว่ามันเป็นสัจธรรมใจรักจริงๆที่อาจารย์สอนนะคะเราไม่ทรสบศสึกษใจกับใช้ได้ก็มีนิดหน่อยแต่หนูว่าน้อยกว่าสิ่งที่ถ้าหนูไม่เคยได้ฟังธรรมะมาเลยหนูว่าอันนี้คงจะแย่นะคะเพราะว่าก็อยู่ใก้ชิดกับท่านแล้วก็ อีกทำหนึ่งคือโดยปกติตอนรถน้ำศพนี้อ่ะว่าจะหนูจะเป็นคนกลัวมากคือจะไม่แบบไม่ยอมอยู่ใกล้มากแล้วก็รถก็จะห่างๆแล้วรีบรถแต่วันนี้เราได้พิจารณาว่ามันก็เหมือนกับสังขารหนึ่งที่ไปแล้วะคะ่ะก็ไม่มีอะไระก็เขาไม่มีลมหายใจนะคนเขาก็เป็นคนเดิม่นั่นแหละใช่ค่ะแล้วก็ตอนเปิดฝาลงหนหูก็เป็นครั้งแรกไหมคะที่หนูพยายามจะมองให้มันตรงแล้วพิจารณา อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ดีต้อง็จะน่าตายบ้างมันจะได้ <laughs> ไม่ไหากลัวมันไม่มีอะไรน่ากลัวหรอความตายใช่อโอ้เมื่อเมื่อก่อนหนูกลัวมากครับอาจารย์หนูจะอย<ม>ู่ไกลมากที่สุดแล้วอยู่ในงานศพนี่ก็แบบถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีอะไรหนูแบบแย่เลยก็ก็ได้เข้าใจความจริงก็ค่ะค่ะไม่ไม่มีอะไรนม า, ากก็ค่ะมาดามมาดารนะค่ะมีน้ำน้ำกลับมาที่ตัวเราวันหนึ่งล้วก็ต้องเป็นเหมือนเขานะ นะคะสาธุค่ะคุณมาลยคุณธากาอเจารย์จ้าวองค้อค่ะวันนี้หนูก็วันนี้ก็ไม่มีคำถามอะไรค่ะเดี๋ยววันเสาร์นี้ค่ะที่หย right. ุดหนูจะไปวัดวัดป่าปุกใจอะค่ะหลอกพ่อที่จ oh no ับเปลี่ยนไว้อะค่ะที่บางพรีใช่ใช่ค่ะเดี๋ยวเราไปดูข้างหน้าก่อน ครั้งแรกของวัดวันนี้ค่ะผมบอกว่าไม่มีไฟฟ้าไม่มีอะไรแล้วก็ยึดโทรศัพท์ไม่ติดต่อกินข้าวมื้อเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะดอยู่กี่วันสองวันก็วันไปวันเสาร์นะคิดจะก็ลับวันจันทร์นะคะอ่สองคค่ะก็ปฏิบัติอยู่ทุกวันค่ะแล้วก็แต่ทุกวัน้ามีก็มีกิจกรรมอะไรต้องทํำเลยต้องเข้าลังกูหรือเปล่าต้อง มีมแค่ตอนตอนเช้าตื่นตีสามนะ ค, ะ แ, คะแล้วก็ทําวัดเช้าค่ะหลวงพ่อแล้วก็ทำวัดเย็นตอนพุ่มหนึง่งนอกนั้นก็ให้ไปปฏิบัติตัเองเค่ะหลวงพ่อกินเพื่อเดียวใช่ค่ะหลวงพ่อแล้วก็ห้ามห้ามติดต่อห้ามคุยห้ามอะไรประมาณอย่างเนี้นค่ะหลวงพ่อห้ามติดตามเยอะมากใช่ค่ะแล้วก็ที่ที่ขุดนะ เหมือนประมาณว่าไม่มีไม่มีติ่งทำานวยความสะดวกอะไรทางนั้นนะคะับวอไฟฟ้าอะไรไม่มีคืออยู่แบบเหมือนป่านะอยู่ในป่าอยู่ในปใช่ใช่ค่ะหลว่อ้แบบวป่าวัาเาคงเหมือนเหมือนประมาณว่าหลวงพ่อท่านจะดุดุเหมือนคล้ายคหลวงตามอห่างบัวอะไรประมาณนะค่ะหล่สงบแบบใช่ท่านจะท่านจะตเหมือนตาท่นก็อยู่มืนนงาค่ะ แต่หนูยังไม่เคยไม่เคยไปค่ะใครใครแนะนำไปเหรอก็มี ม, มีจริงจริงแล้วมีคนชื่อพี่เสียงอ่ะเขาเขาเคยไปกราบหลวงพ่อที่แล้วก็มาอยู่ที่บนเขาชีโอนะคะ <Yeah. S 2> เขาเขาก็จะมาแบบมาทำบุญประจำอะไรเนี้ยคะ่ะแต่ว่าหนูก็ยังไม่ได้ไปจนมีเพื่อนหนูอีกคนเนื้อคะ่ะเขา เขาไปเองเขาลองลองเขาบอกเขาอยากปฏิบัติอะไรเงี้ยค่ะเขาก็ลองไปเองแล้วก็มาบอกหนูว่าเนี่ยลองไปไหมอะไรเงี้ยไม่ไม่มีอะไรเลยแบบอยู่แบบคนปฏิบัติจริงๆอะไรเงี้ยดีมากอะไรเงี้ยค่ะหนูก็เลยอยากลองไปไปเพราะว่าจริงๆแล้วจริงๆหนูก็ชอบที่เขาทีออนคือชอบมากค่ะแต่ว่าคิวมันไม่ได้ก็เลยหา ่าที่ที่เราจะไปได้ที่มันรู้สึกว่าปฏิบัติจริงๆไม่ได้เน้น ก, กิจกรรมเยอะอะไรอย่างเงี้ยเรลองก็เราลองไปดูต้องทดสอบไปเรื่อยค่เราลองก็เหมือมนคุณหมอทัศนาต่ก็ไปไปไ ป, ไปเช็คหลายที่ไปแช็คนินหลายที่ <laughs> ลองบางที่ไปแล้วก็เหมือนกิจกรรมเยอะค่ะที่ที่หนูเคยเคยถามแม่ชีแม่ชีบอกเขาไม่ได้ปฏิบัติเลยเงี้ยหนูก็เลยไม่ได้ไปบางที่เงี้ยค่ะเพราะว่าทําทําแต่งานในครัวอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ทํามีงานก่อสร้างด้วยอะไรประมาณนั้นแต่นโยบายของกลฬวัฒไม่เหมือนกันค่ะหนูหนูก็เลยเลงเลงหาว่าที่จะที่ไหนดีพอดีก็เลย ลองที่นี่ค่ะเขาบอกว่าเน้นปฏิบัติมาลองดูที่วัดหลวงปู่เจี๊ยะตามพัฒนาไปดูไชอยู่ลอยู่ตรงตรงปฐุมใช่ไหมวัดอะไรนะคะหลวงวัดพลีทัตตะใช่ใช่ที่หลวงปู่สมุยุาไม่ใช่หลวง่เยาิไม่ใช่คนละที่กันไม่ใช่คนที่ตลวงปู่เยลิศเป็เป็นบ้านนี่เป็นบ้านค่ะอ๋อ นี่เันวัดวัดของปู่เจียต่ยังยังไม่ไมเคยแต่ชื่อชื่อวัดชื่อของวงปู่หู่มั่นพระฤทธาตัดก็เดี๋ยวหนูไปลองที่นี่ดูก่อนว่าถ้าถ้าสงบก็จะปฏิบัติที่นี่เพราะเพราะเหมือนพี่เขาบอกว่าไม่ค่อยมีคนไปเท่าไหร่เพราะว่ามัน ถ้ามองแล้วเหมือนแบบมันไม่สบายอ่ะค่ะหลวงพ่อมันไม่มีอมันไม่มีอะไรไม่มีข้อความสุขครับใช่ค่ะหลวงพ่อก็ดีค่ะที่ไหนก็ได้ถ้ามันทําให้เราปฏิบัติได้ดีก็ไปที่นั่นก็ล้วกันค่ะหลวงพ่อมีอะไรไหมวันนี้หนูก็ไม่ไม่มีคําถามอะไรค่ะเดี๋ยวไว้ไปปฏิบัติก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมารายงานหลวงพ่อโอเค ขอบคุณหลวงพ่อค่ะสาธุค่ะด้านในที่คุณลาตอบคุณลมีคำถามได้นหมมีทั้งหมดสี่คำถามค่ะสองคำถามแรกจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามคำถามแรกดิฉันบอกแฟนว่าช่วงวันวิสาขบูชาที่จะถึงนี้จะขอไปภาวนาที่วัดจะให้ไปได้กี่วันแฟนตอบว่าไปบ่อยแล้วนะ งานที่บ้านก็ยุ่งยุ่งดิฉันจึงตอบไปว่าไปวัดแล้วรู้สึกดีดิฉันจึงยืนกรานว่าจะไปวัดบอกแฟนว่าจะเอาเงินให้เขาไปจ้างคนมาช่วยทํางานแทนสามีก็ไม่ตอบบ้าอะไรคะ่ะอยากกราบไปถามพระอาจารย์ว่าดิฉันทําถูกหรือผิดเจ้าคะ่ะก็ผิดผิดใจสามีแนหะเพราะสามีเขาไม่อยา ก, ยากเรไปเพราะเขา อยากจะอยู่ใกล้ชิดกับเราเขาก็าอ้างเร่องทำามสะาดไปอย่างนั้นแล้วแต่ใจจริงแล้วเขาคงอยากจะอยากจะอยู่ใกล้เราเพราะวาเวลาไม่อยู่เราไม่อยู่ไปอาจจะทํำให้เขาเหงาก็ได้อันนี้มันก็เราอาจจะไม่ทํเราอาจจะบอกเรื่องทนาะงหน้าที่ของของการเป็นแม่บ้านก็ได้แล้อาจจะทําให้เขาไปหาหาบ้านใหม่ก็ได้อันนี้ก็ต้องคิดดูให้รอบข้อ เราเราพร้อมมาพบสพัปปะไม่ถ้าเกิดนามาวัดบ่อยๆก็เดีเยวเขาก็บุกไปวัดได้กูก็ไปหาบ้านใหม่ได้อันนี้ก็แล้วแต่เราคิดดูให้รอบคอบคำถาม ท, าที่สองคนเป็นคลาวาดที่ทำทานเป็นประจำถือศีลภาวนา เมื่อมีโอกาสทําทานควรจะทําต่อไปเรื่อยๆหรือไม่เพราะมีคนบอกว่าทําทานมามากแล้วพอได้แล้วให้ถือศีลภาวนาก็พอกลับขอความเมตตาพระอาจารย์ช่วยแนะนําเจ้าค่ะอก็อยู่ที่ว่าเรายังมีมีมีงานที่จะทําได้หรือเปล่าถ้ามีเงินที่จะทําได้ก็ทําไปมันไม่มันไม่เสียหายหรอกการทำบุญทำทาน เพียงแต่ว่าอย่าให้อย่าให้มันเสียเวลาจนกระทั่งมามันล้มโคลย ก, การภาวนาของเราก็แล้วการทำบุญทำทานมันง่ายโอนเงินเข้าวัดขึ้มาแล้วเสร็จนะไมัจเป็นจะต้องไปซื้อขา้ามซื้อของไปเตรียมของเตรียมอะไรไปถวายทำอย่างนั้นก็ได้แต่มันจะเสียเวลาให้กับกับการภาวนาไปถ้าเราอยากจะเน้นการภาวนาเราก็ต้องพยายามอย่าไปทําอะไรอย่างอื่นที่จะทำให้เราเสียเวลากับการภาวนา การทําุญทำทานที้สามารถทําได้จนกว่าอาจะไม่มีกําลังที่จะทำมีสองคำถามจากคุณเอกวิทย์ค่ะคําถามแรกอยากให้พระอาจารย์ยืนยันอีกครั้งว่าถ้าเราทุ่มเท ป, ปฏิบัติเต็มที่ทั้งวันทั้งคืนจะสําเร็จภายในเจ็ดปีจริงไหมครับก็ต้องปฏิบัติให้เป็นถูกที่เรียวปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเนี่ย ปฏิบัติให้มันถูกต้องตามหลักทรรคันสอนทุกประการปฏิบัติดีก็ปฏิบัติเซนที่สองอย่างนี้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบผลกเกิอไม่เจ็ดวันก็เจ็ดเดือนไม่เจ็ดเดือนก็เจ็ดปีแต่ถ้าทําให้ดีน่าจะคุณจะมีครูบาอาจารย์คอยแนะนำไว้ด้วยถ้าไม่มีครูบาอาจารย์ก็อาจจะหลงทางได้อาจจะเกินเจ็ดปีก็ได้มุมทางที่สอง พระนิพพานยังมีอยู่จริงในปัจจุบันไหมครับพระนิพพานก็คือใจที่สะอาด บ, บริสุทธิ์ตามใดที่มีการปฏิบัติทานศีลภาวนาอยู่ตามนั้นก็จะมีพระนิพพานปรากฏขึ้นมาในใจของผู้ปฏิบัติหมดแล้วใช่ไหมมีคําถามใหม่เพิ่งเข้ามาเจ้าคะ่ะจากคุณสุพัน ข้าพเจ้าภาวนาจะมีสมาธิดีตอนนับเลขหนึ่งถึงหนึ่งร้อยได้ดีกว่านิ่งสงบเพราะดูเขียนในใจเองแต่ถ้าใช้พุทธโธไม่ค่อยได้เหมือนชาวบ้านเขาจิตจะคิดไปเรื่องไร้สาระก็ดึงกลับจะถูกต้องตามหลักศาสนาไหมคะวิธีไหนที่ทำให้ใจเราสงบว่าใช้วิธีการกระตุแต่และคนอาจจะไม่เหมือนกัน ถามหมดแล้วเจ้าค่ะโอเคถามหมดแล้วก็ชื่เราขอสมควรแก่เวลาก็าขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณานะไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเธอ